ถ้สูตรในสูตรหนึ่งเจ้าสูตรนี้เคยอ่านมาหลายครั้งเขาพูดกันในเรื่องของศรัทธาในสุพูติสูตรในขุะในอังพุธรในกาเจกาทัสกัดิบารครั้งนั้นแล่วท่านพระคือจะเอามาเพียง เป็นแต่ความรำแล้วก็ยาขยาดนิดหน่อนท่านพาะสุภูติกับสัทธาภิกษุิกษุรูปพระสภุภิษฐฐภิกษุรูปนี้ทว่าสุภูติกับสัทธาสัทธาคือศรัทธาภิกษุรูปที่ท่านชื่อศรัทธาสัทธากับสุภูติเนี่ยสองรูปเนี่ยนะก็เข้าไปเป้าพระพุทธเจ้าถึงที่ก็ครับ แล้วก็ถวายบังคมกับพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งนะที่ควรหดวนข้างหนึ่งถ้าผู้มีอภารได้ตรัสถามท่านสุคูติว่าดูก่อนสุคูติภิกษุนี้ชื่ออะไรท่านพระสุคูติก็ตอบอกว่าพระเจ้าของพระู้เเรียนภิกษุรูปนี้ชื่อว่าสัทธาคือชื่อท่านจะชื่อว่าสัทธาสัทธาเนี่ยนะเป็นอุบาเป็นบุตรของอุบาศกผู้มีศรัทธา ในพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่เนี่ยอุปมาศกที่มีศรัทธา ม, มากที่สุดคือใครนะเอาใครดีนะอ น, นาถาปินิกาเลยนะเศรษฐีเย แม่สมัยกูจะเจ้าเลยสมัยกไม่จ้งสมัยก็ต้องเป็นอนาถาปิณิกาเสรษสีชื่อเดิมชื่อว่าอะไรชสุชาตใสุากฉนั้นพิสูรลูกเนี่ยพ่ชื่อว่าสักท้าเนี่ยเป็นบุตรของอญานาตาปิณิกาใช่ไหม เนี่ยเป็นบุตรอูบาต่อผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาพระเจ้าค่ะคือพระท่านพระสุภูติยอด่าวธูรวุทธเจ้าที่ในในพระไตรปิฎกในข้าของบาลีมี่ไม่ไม่ได้บอกของท่านเป็นบุตรของใครได้อธิษฐาท่านบอกว่าว่าเป็นบุตรของอนาคต พระพุทธเจ้ากขาบอกดูก่อนสุภูตีก็ศรัทธาภิกษุเนี้ยเป็นบุตรของอุบาสกผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาย่อมเห็นพร้องในลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายเลยหรือถามดีๆใช่ไมเออชื่อศรัทธาเนี่ยแล้วก็ออกบวช ด, ด้วยศรัทธาเนี่ยเ อ, อแล้วรู้หรือเปล่าว่าลักษณะของคนที่เขามีศรัทธาเนี่ยเป็นยังไงถามเลยใช่ไหม ถ้าอย่างเราไปเจอใครเราบอกว่าท่านเป็นคนมีศรัทธาเนี่ยไม่แยแคงว่ามีศรัทธาแต่ต้องดูด้วยลักษณะของศรัทธานั้นนหละเออลองต้องเอาไปเทียบกับสูตรนี้ไปเทียบดูว่าจะเข้าข่ายไหมถ้าเข้าข่ายเชื่อว่าท่านบุญนั้นมีศรัทธาเือเราเชื่อแล้วว่าท่านมีศรัทธาแต่ถ้าไม่เข้าข่ายในสูตรนี้เนีออฟังหูวไว้หูฟั <laughs> งหมูวไว้หูไม่รู้ฟังอยังไงเนี่ย ก็คือฟังไม่ได้ฟัหูไว้หูเดี๋ยวก็พูดถึงฟังหูไว้หูเลยทำใหนึกถึงวันก่อนวันก่อนก็ไปไปประชุมต้องมีทหารทหารซึ่งเป็นกองงานในสมเด็จพระชินมาพูดคือ ท่านเคยอยู่ในภาคใต้มานานเนะียเป็นทหารเป็นเสืเดี๋ยวพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเครียดทีนี้ก็ก็มาเล่าอี้พระฟงวันนั้นก็พระก็ไปประชุมกันร่วประมาณเก้ารรูปแต น, นี้พอพอทหารคนนี้มามาเสือเนี่ยนะจะเรียเสโบเือจะมาแล้วอกว่าโอ้โหเป็นบุญตาเงี้ยเรื่อง คือในชีวิตเนี่ยว่าไม่เคยเจอพระมากอย่างนี้เลยก็ครั้งนี้ได้เจอพระมาแค่อยู่ในภาคใต้มา6หปีเลยเจอองค์สององค์แกก็บอกว่าตอนที่แกลงไปภาคใต้ใหม่ตอนที่พระราชนิพนธให้ลงไปให้ดูแลให้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ยากไปใหม่ๆครั้งแรกแกก็ไปเจอพระอายุมากๆทล่เข้าไปกล่าว ไปกราบเขาบอกว่าหลวงปู่มีหลวงปู่ทวดนุ่นเก่าๆเขาก็กลัวใช่ไหมในความกลัวเนี่ยถ้อทหารลงไปวาดใต้ก็ไม่มีอะไรเครื่องพ้องคอก็เอาขอหลวงปู่ทวดนุ่นเก่ามีไหมหลวงปู่นี่แกก็บอกว่าคุณโยมเป็นทหารหรือเปล่าเป็นทหาร ไม่ต้องหาหลวงปู่ทวนแล้วอาตมายังต้องพกทหารเลยคือไปไหนยังต้องพกทหารเลยบอกก็บอกว่าเป็นทหารแลดีอยู่แล้วที่นี่มาเลย์อะไรเงี้ไหม พอมาระยะหลังเนี่ยมันปรากฏว่ารถเห็นไหมนั่นออกข่าวรถทำวี่เี่งรถทหารเนี่ยปถูกระเบิดเพราหมูทั้งวดดัอย่างนั้นนะรถอะไต่างเต่างแมันเดี้แล้วก็ไปถ่ายมาให้ดูหมดนะภาพปีทศทำมีระเบิดรถคว่ำและทหารตายฟันคอขาดบั้งอะไรสารภาพเลยนะบางทีก็มันอยู่ภาพนี้นะตัดคอป่อต่อหน้าลูกลูกเล็ก ใช่ไหมเราต้องถือหัวมันกลาลังจะวิ่งไปลูกก็ไปไปกราบขอหัวพ่อคือขอหั ว, <c oughs> หว่อคือดูป้าคือผเราอะไรทงนี้เมาหนักไปทีนี้ก็เนี่ยขนาดทหารไปใช่ไหมทหารก็ตายเป็นหกเป็นเจ็เป็นแดตายนยเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วกก็ลงไอ้แกก็ไ ป, ไ ก, ไปไก็ไปเจอหลวงตาตรงเนี้ยเขาไปตามถามหลวงตาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ยังพกทหารอยู่ไหแต่กนละ กอกไม่เอาแล้วไปคนเดียวยังมีโอกาสรอดอีกแอกคือพวกมารยะหลังมันเล่นทหารเนี่ยมันเล่นทหารว่านเอะไรคือ้าไปแล้วมัตัดทางเต่าไม่ได้แล้วไปตัดปีกตารก็้าไปคนเดียวมีโอกาสล้วแกบอกอไปเลยเยี่ เดี๋ยนี้ทาก็ไม่อยากพูดได้แล้วโอเคนี่นี่ผนตีผนตีท้องขาวแกก็ไปประกาศพักเ้าร้อยกว่าลูเมตอนนี้วัดล้างประมาณ100ร้อยกว่าแ่ากันแตวเลท่านต่าแาวมาท่านทั้งหลายที่อยากจะเป็นแช่ ว, ว, วา่าหรือว่ากว่า การทังหลายที่คิดว่าตนเองเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นแน่นอ น, นเดี๋ย ว, ว่คิดหน้าผมจะลงใต้ไปกับผมนลครับไปวันนี้ตุ้งนี้แต่งตักต่งได้ข้าข้าวร้อยละลูกไม่มีไงยกเลยทั้งหมดพะมาก็นั่งข้างหน้าติดยังมาตะกี้อาะมาเอาไปเราไม่ได้ รองไม่ลองถามพราทีวัาจับเดือนนีใครไปเอาองค์ขังขัไรอ้งใครอยู่ต่าง่างมาไสามม่เยอะมีองค์นึงแม้ไปจากไปถ้าพระมาถ่ายชื่อพระสงชายไปวันนี้ปุ๊บวันพรุ่งนี้เขาก็ตั้งเจ้าวาดเลยใช่ห แล้วรุกงขึ้นอีกปีแต่งตั้งให้เป็นพัะภูมิแล้วไม่วันนี้หมอกินทาบานโดนระเบิดโดนระเบิดขาตายเนี่ยนี่จ้ะพูดดูแล้วมันเหมือนสนุกเลยแต่ไม่ดีด Mm. จริงๆที่ก็นึกขำตรงที่ท่านไปพูดล้อแบบนครับคงจะไม่มีอะไรที <het> ่จะนน่นกันเลยพูดล้วอจะพูดนนี้แหละต่พูดในคนก็คือยู่ห้อนายกเขาใครจะทาดีจะทำดีเนี่ยู้น้ใจเนคนพู้นันายกทำแค่เดียวนี่าเดียวดูแลขนาต้องศรัทธาต่องเดียวเออกวตขับเดียวจเลย ที น, นี้พระพุทธเจ้าก็ดูก่อนสุภูติก็ศัทษาพิสูจผู้เป็นบุตรของอุบาสกผู้มีศรัทธาตอบัวชเป็นบรรปชิตด้วยศรัทธาเนี่ยย่อเหมืนพร้อมได้ลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายเลยละเขบอกว่าข้าแต่พราผู้มีพระภาคาบัดนี้เป็นการสมควรในการที่จะแสดงลักษณะของผู้มีิดีศรัทธานะข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการสมควรแก่การแสดงลักษณะของผู้มีศรัทธานั้น ขอว่าผู้มีพระภาคจงตัดลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเถิดถ้าพระองค์จับทราบแบบนี้ว่าทิกษุนี้จะเข็มพร้อมในลักษณะของผู้มีศรัทธาทั้งหลายหรือไม่เนี่ยไหก็ก็ให้พระพุทธเจ้าแสดงลักษณะของคนที่มีศรัทธาพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกดูก่อนสุภูตีนถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ใหดีเราจะกล่าว บอว่าเธอต้องใส่ใจให้ดีจงมีโยนิโสมนัสติการนะว่าอย่างนั้นนะว่าเราหมายถึงพระพุทธเจ้าจะกล่าวคือจะแสดงธรรมท่านพระสุภูติก็ทูลรับพระผู้มีร พ, พระภาคพระผู้เยาว์ภาคกระตับว่าดูความสุภูตีทิศูนในตถาวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสังรวมแล้วในพระตาิโมกสงวนถึงพร้อมด้วยอาจารยและโคจรมีปกตินภายในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายดูกรสุภูติข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลเป็นต้นเหล่านี้ยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแง่นี้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศีลเห็นไหมว่าเออลักษณะประการแรกของคนที่มีศรัทธาคือน้องก็หาปาปิโมกลงนอนศีลนั่นองเห็นไหมว่าเราบอกเออคนที่จะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาก็วัดกันตรงไหน ตัฐาของท่านผูน้นั้นน่นะงงงงงาาน้อมก็หาปาฏิโมกขังวานสีเป็นต้นเลยนะถ้าหากน้อมก็หาปาฏิโมกขังวานสีในทางด้านของสีเนี่ยนะในคำพีวิสุธีมารมีสองประการเนยอะสมาทานะกับอุปนอุปกกรนะสมาทานะนันแปลว่าอะไรเขาแปลว่าตั้งไว้ด้วยดีใช่ไหมสมาทานะเนี่ยตั้งอะไรไว้ด้วยดี ตั้งกายกรรมเวจีกรรมไว้ด้วยดีไม่ให้วิปริตหรือไม่ให้กระจัดกระจายอ่ะตั้งกายกรรมเวจีกรรมไม่ให้ตั้งกายกรรมก็คือไม่ฆ่าสัตว์เวีกรรมก็คือไม่พูดเท็จสุดตนลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาทานะถ้าอุปการฐานก็หมายความว่าเข้าไปส่งไว้ทงอะไรไว้สรงในที่นั้นแปลว่าเป็นบาสนะ เป็นบาปเป็นที่ตั้งของคุณธรรมเบื้องสูงสก่าวคือสมาธิและปัญญายังไมถ้าสมาธิพวกจิตเตาวิสุธทธิทิ่ถี่วิสุธทธิกังขาวิจารณาวิสุธทธิเป็นต้นเหล่านี้ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าปาฏิโมกสังวรสีเป็นต้ น, มนไม่เข้าไปทรงไวเข้าใจไหม ลักษณะของผู้มีศรัานั้นเนี่ยศีลเนี่ยศรัาจะต้องน้อมก็หาศีลในลักษณะอย่างนี้นีประการแรกอีกประการหนึ่งทิศกุเป็นผู้มีสุดตามากทรงสุดตาสัมสมสุดตาเป็นผู้ได้สดับมากทรงไว้ท่องปากขึ้นใหญ่ทแทงตลอดด้วยดีด้วยทิศถี่ซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางแล้วก็นามในที่สุดประการธรรมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรูบรณ์สิ่งเชิง ดูก่อนสุภูติข้อที่ที่สุเป็นผู้มีสุตตะมากเป็นต้นเหล่าเนี้ยนี้ก็เป็นลักษณะของศรัทธาของผู้มีศรัทธาเอยเราก็มาพิจารณาดูยู่ไหมว่าเออเรามีศรัทธาอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดไหมถ้ามีศรัทธาก็เออดูาปาติโมกขั้งวรสีของเราแค่ไหนใช่ไหมประการที่สองคือสุตตะใช่ไหมสะสมสุตตะทรงสุตตะต้องปากขึ้นใจแทนตลอดได้ดีได้ทิฏฐ มีสูตรไหนบ้างที่ว่านึกได้ทันทีก็ไม่คล่องเลยมีบ <c oughs> ้างไหมมีส <c oughs> ักสูตรไหมก <c oughs> ็อย่างนั้นเออว่าจะได้มีบ้างนะ <c oughs> แต่บทีไปนั่งนึกเมื่อออกมาก็น่าคิ้นกันนะถ้าอย่างนี้ก็เออแสดงให้เห็นว่าลักษณะของศรัทธาทำไงอย่างนี้ชื่อว่ามีศรัทธาถ้าถามบอกว่าคุณมีศรัทธาหรือเปล่าเนี่ยต้องดูลักษณะลักษณะประการแรกคือว่าน้อมต้องหาปฏิโมกข์สั ง, งวร ประการที่สองก็คือว่าสั่งสมสุดตาทรงสุดตาเนี่ยนะแ็นตลอดด้วยดีด้วยทิศขี่เป็นต้นเหล่านี้ยอันนี้ประการที่สองประการที่สามก็คือลักษณะศรัทธาก็คือว่าพิษศูนยเป็นผู้มีมิตดีมีสหายดีมีเพื่อนดีมีพิษมีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีโห้ถ้าหกมีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเนี่ย ดูก่อนสุพูติข้อที่พิสูกเป็นผู้มีมิตรดีมีสายดีมีเพื่อนดีแม้นี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาฉะนั้นคนที่มีศรัทธาเนี่ยจะเลือกถามนี้ใช่ไหมเขาใครเขพระ พ, พุทธเจ้าเขสาวเขาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนี่เนี่ยอันนี้เ็าเรียกว่าปฏิปการหนึ่ง อีกประการหนึ่งภิสูุเป็นพิสูเป็นผู้ว่างง่ายประกอบด้วยคาเครื่องทำให้เป็นผู้ว่างง่ายเป็นผู้อดทนเป็นผู้รับอนุสาสมีโดยเคารพดูก่อนสุภูต ข้อที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมก็ทําให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนเป็นผู้รักอนุสาสนีโดยความเคารพนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาเออข้อนี้เป็นยังเป็นคนว่าง่ายคระเนี่ยเขาบอกว่าตรงคุณของพระเนี่ยสพระนี่เอาค้าเป็นประธานนะภิกษุนีอุบาศกและอุบาสิกาในชื่อว่าผู้เลี้ยงใช่ไหมเขาบอกว่า องของแม่ไผ่รู้ตามลมองท้าก็ต้องรู้ตามคาสอนเดี๋ยวไปต้านคาสอนพ mm hmm. รพูดถึงต้านคาสอนเนี่ยสมัยก่อนใช่หมพ mm hmm. ีพัฒเสยละรหนึ่งท่านโรณาณภาพไปแล้วไม่ขอ เ, เอยนามเนี่ย mm hmm. ท่านเวลาท่านยกพาสิทิ์เนี่ยท่านจะยกพาสิิหนึ่งเวลาท่านแปลก็จะไปแปลกฎวนึงเห็นไหมที่าที่ท่านศึกษามาก็ไปทวมกันท่า น, านพรพเสละ โอ้หลวงป้าเทระพูดกูปูมืนนอมือไหมนะท่านพระโบราณจะพูดแบง น, นี้ท่านจะยกบาลีบอกว่าเยจิตังสัญญาเพศสติโขันติมารพันธนาคือ ท, ท่านยกบทนี้นะแต่เวลาท่านแปกท่านบอกว่าสูงสังหลายจง ม, มาดูโลกท่นจะการหลุดรากจะล้าเราจะคิดว่าหลวงพอ่อมันไม่ใช่มันคนละบทกันจะบอกเฮ้ยของกูขอเก่า เองเองจะเสียงอะไรเองจะเสียงเศร้าคือคือใช้เสียงนั่นไม่ได้ท่านบอกว่าของการร้องก้องเก่าเ็นแล้วก็แปลกใช่ไหมเออเอทําไมขึ้นบาหลีบทหนึ่งขึ้นบาหลีบอกว่าบอกว่าจงรู้จักระวังจิตไงถึงจะพ้นจะกบ่วงมานี่ไหมแต่เป็นบอกว่าสูงทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อตการดุจราชร้อน ที่โว์บนเขาโม่งอยู่แต่ผู้รู้หาท่องอยู่ไม่นี่มันคนละบทกันเลยพระเขาไปสะกิดใช่ไหมท่านบอกอะไรหลวงปู่หงเก่าไว้ยพูดยังไงเลยดูทีนี้ตอนตอนท่องปฏิโมกขพอท่องปฏิโมกข์เนี่ยว่าฉันท่องผิดเด็กพระท่านคอยทานอยู่ใช่ไหมพอสาทยายก็ว่าไปนิโวสุลเนี่ยผิดพวกท่นก็โม่งแต่พระก็บอกว่า ถ้าทวงบกผิดแล้วก็ให้ขึ้นใหม่ท่านแบบนี้ตรวจใหม่ไปแล้วแป๊บหนึ่งพอทวงท่านก็คือพอทวงเป็นตากันอะไรจะผิดขนาดนั้นแล้วก็ว่าทำไมต้องผิดมากยังเราไม่เอาแล้วก็ว่าไงเนี่ยแกไปโทษตำรวจอาผิดซะนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ว่าไงเนี่ยใช่ไหมยังไม่ว่ายาแตอันนี้คือการ อันนี้จัดว่าเป็นผู้จ้านคำสอนถึงผู้ดานคำสอน <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ว่ายากฉะนั้นท้านั้นต้องว่าง่ายแล้วต้องประกอบด้วยทำเครื่องกระทบไม่เป็นผู้ว่าง่ายแล้วเป็นผู้อดทนเป็นผู้รับอนุสาสนีโดยารง เมื่อถ้าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องรับโดยโดยโดยเคารพเนี่ยในสมัยหลังๆเนี่ยนะคนที่ฟังคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยที่จะฟังโดยความเคารพก็จะเริ่มหาน้อยลงถ้าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นของสูงเป็นของสู ง, างมากๆถ้ามีพระเถเรซอยูุ่คหนึ่งเน่ยต้องต้เอ่ยนามท่า น, าน อาจารย์หมาโสดโชว์ทิปาโรยท่านรวมนี้ท่านเวลาจะกล่าวว่าทำเลยกรรมเนี่ยแค่จะกล่าวว่ามั่นสีผลสีนิพพานหนึ่งจะใช้คำว่าพระเนี่ยท่านเขมรจริงจริงแล้วคือชอบใจท่านดีเวลาท่านพูดแต่ว่าไม่รู้ปฏิปทาท่านยังไงเนี่ยท่านบอกว่าในชีวิตของท่านเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่บวชเป็นเนนมาเนี่ย ความรู้สึกแค่อยากจะไปเที่ยวทะเลตะครั้งนี้ไม่เคยมีเลยความรู้สึกสำคัญด้วยไม่เคยมีความรู้สึกตรงนั้นเลยใช่ไหมท่านจะพูดไดป้ปมงชื่กใจใจอย่างเรามองทะเลยังอย่างแอบสวยอยู่มั้ยใช่ไยังแอบอออชื่นใจอยูอยน่นะอีกประการหนึ่งพิสูจน์เป็นพู้ขยันไม่เกียจทรานในกรณีกิจทั้งสูงและต่ำ ของเพื่อนปรมาจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นอุบายใ น, นกรณีกิจนั้นอาจทำอาจจะทํารู้ก่อนสุขปุตติข้อที่ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจทานเป็นต้นเหล่าเนี้ยนี้ก็เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาให้สังเกตได้เลยว่าขยันในกิจกรรมเกี่ยวในเรื่องการงานของกาน ของเพื่อนขรงมายาดีทั้งหลายเหล่า น, นี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่มีศรัทธาฉะนั้นคําสอนตรวเนี้ยแท้ที่จริงไม่ได้บ่บอกว่ามีศรัทธาแต่ให้รู้ได้เลยว่าท่านบนเนี้ยคือมีศรัทธาประการต่อมาอีกประการหนึ่งทิ่สุเป็นผู้ไข่ทำเนี้ยกล่าลทำเป็นที่รักเป็นผู้ปราโมดอย่างยิ่งในธรรมันยิ่งในวินัยอยิงย่งดูก่อนสุภูติข้อที่ทิ่สุเป็นผู้ไข่ทำใข่ทำแต่ว่ารักในเนะ้ยรักในพระธรรม เป็นผู้กล่าวคามันเป็นที่รักมีความปราโมดอย่างยิ่งในคำมันยิ่งในวินยยัยยิ่งนี่ก็ลักษณะของคนที่มีศรัทธาอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ตาลบความเพียงเพื่อรักอุปสมธรรม ท, ทั้งหลายก็คือยังสามารถประทานสีเป็นต้นให้เกิดขึ้นอันนี้ก็คือลักษณะของผู้มีศรัทธาอีกประการหนึ่งก็คือว่าพิจูดเป็นผู้ได้ตามปรารถนาโดยไม่ยากคนที่มีศรัทธานี่คือได้ฌานสี่ ก็คือมีประสบมาฌานเป็นต้นเหล่าเนี่ยนี่ก็คือลักษณะของคนที่มีศรัทธาและเมื่อได้ฌานสี่แล้วในี่ยก็ฌานสี่เป็นบาปแห่งการทำอาชีพยาแล้วก็สามารถละเลิกชาติได้หนึ่ชาติสองชาติเป็นต้นตามลําดับก็คือได้ปุกเพนิวาสาวุสติญาอันนี้ก็คือลักษณะของบุคคลผู้มีศรัทธาจะมีประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อได้ฌานแล้วก็ได้ ยาธิสองก็คือจุตูปปาตยาเ น, นี่ยนะคือรู้จุดติและอุบัทขอตัทั้งหลายอันนี้ก็คือลักษณะของบุคคลผู้มีศรัทธาส่วนอีกประการหนึ่งก็คือว่าภิกษุทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์แล้วก็ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะนี้ได้เพราะอาสวะนั้นซึ่งไปได้วยปัญญายิ่งในปัจจุบันก็ถึงอยู่ในช่วงเหล่านี้ลักษณะเช่นนี้ก็ก็เรียกว่าลักษณะของผู้มีศรัทธาเป็นต้นตรงนี้เวลาจับประเด็นตรงนี้นะครับให้เราเข้าใจบว่า เออแค่าหากลักษณะของคนที่มีศรัทธาเนี่ยศรัทธานั้นก็น้องก็หาปาฏิโมกสังวรเป็นต้นเหล่านี้ยนะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเออท่านผู น, นี้มีศรัทธานะแต่ว่าไม่รักษาศีลเป็นต้นเหล่านี้เลยไม่มีสุตตะเป็นต้นเหล่านี้เลยเนี่ยอันนั้นบ่งบอกเลยว่าศรัทธาท่านเหล่านั้น น, นี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ต่อไปก็พูดถึงเรื่องโมหันต่อ ทำไปแล้วพูดในเรื่องของโมหะมูลจิตนะจิตที่มีโมหะก็รู้ชัดว่าโมหะเป็นจิตที่หลงนะหลงไปจากนามรูปตามความเป็นจริงจิตที่ไม่สามารถที่จะรู้เหตุผลตามความเป็นจริงของนามรูปเป็นต้นนะเป็นจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโมหะเจตสิกเป็นประธานจึงเรียกว่าโมหะมูลจิตจิตที่ถูกโมหะเจตสิกเข้าครอบงํำนะถามว่าหลงมงมงายไหยหลง หลมองงานก็มีลักษณะพิเศษก็คืออาญาณารคโนก็คือการไม่รู้แจ้งในอริยสัจเป็นลักษณะเวลาอารมณ์อารมณ์ใดๆมาปรากฏเนี่ยอริยสัจไม่ปรากฏอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนท่านพระพายะ บ, บอกว่าดูก่อนท่านพายะใช่ไหมบอกว่าท่านคพิทําการศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจัก เป็นจักว่าเห็นเมื่อได้ยินจกักเป็นสาวว่าได้ยินเมื่อทราบจากักเป็นสาวว่รู้ทราบเมื่อรู้แจ้มจกักเป็นสาวว่รู้แจ่มเป็นต้นเนี่ยนะที่บอกว่าเมื่อเห็นเนี่ยดูก่อนภายะท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าคําว่าศึกษาในที่นั้นเป็นชื่อของปิชาสามใช่ไห ม, ไมต้องดูหลัง จะได้พระไปิฎกมาเล่มหนึ่งกลับหัวกลับขางยังไม่ได้คืนก็เลยต้องดูกลับหลังเนี่ยแปลกไปเลยเนี่ยก็ใส่ดีๆเงี้ยยัยกอย่างนี้ ยอมเขายอมเขามาเข้าไปถวายก็แล้วอามาอ่านให้เป็นบุญให้มาดูในเล่อนี้นี่เราก็ไปฉีดทางเขาเราดูไม่ได้สังเกตอะไรเลยดูนี่ฉีดเดียวทีถ้ามาดู อ, อดีกทีเขาใจดุเล่มรี้แปดกกบเพื่อนเขาเต็มที่เขาได้แค่นี้เขาเต็มที่ก็เลย ก็เหมือนเราศึกษาเต็มที่ได้แค่นี้นะทางคนได้ก็เต็มที่เลสิกขิตตพังไงคําว่าสิกขิตตพังี่ยก็แปลว่าพึงทําการศึกษาศึกษาในที่นั้นก็โดยว่าโดยทําสิกขาทั้งสามมียที่สิกขาเป็นต้นเงี้ยอธิสิกาสิกขาที่บรญญาสิกขา ทีนี้ก็มีว่าคิดเถิดิดธมาตังพวิสติเนี่ยเมื่อเห็นจักประมาณว่าเห็นเนี่ยนะสักว่าการเห็นรูปายตนะด้วยจกักขูญยาณอธิบายว่าเธอเพิ่งสื่อาว่าจากักขูญญานเห็นรูปารมณ์ในรูปเท่านั้นเข้าใจคานี้ั้มจักขูญญาณเห็นรูปารมณ์ในรูปเท่านั้ น, ร, น, ญญนรูปรมีทั้งหมดเท่าไหร่ ใช่ไหมจกักกุญญาณเห็นได้กี่โครคเห็นได้รูปอา ร, รมณ์เห็นได้หนึ่งโรคเหลื อ, อลกีอ่โรคฉะนั้นอ า, านิทัศนารูปที่จักกุญญาณก็ไปเห็นได้คือรูปารมณส่วนอานิทัศน์นั้นมียี่สิบเจ็ดโรคใช่ไหมฉะนั้นในพระไตรปิฎกแล่นี้บอกว่าวิญญาณเห็นซึ่งรูปในรูปเท่านั้นก็คือ เขาอ่านไม่ดีก็บอกเออเห็นอะไรเห็นรูปในรูปเนี่ยก็คือเห็นรูปารมในรูปนี่ใช่ไหมดังนั้นจากภูวิญญาณไม่ได้เห็นธรรมะอย่างอื่นน่ะเห็นรูปเห็นก็คือเห็นรูปารมเท่นั้นแต่ล้จากภูวิญญาณเนี่ยเห็นรูปารมเน่ยเห็นด้วยความไม่เรียงเป็นทองเป็นอนัจาใช่ไหม ใช่รือไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เหมือนกันการเห็นต้องรูปอารมณ์ไม่ได้เห็นโดยความเป็นอนิจจารูลักษณะทุกลักษณะและน่าตาลักษาะและก็ไม่ได้เห็นโดยความเป็นอสุภาพด้วยไม่ได้เห็นแบบนั้นไม่ได้เห็นลักษณะเหล่านั้นชั้นใดรูปที่เหลือเป็นต้นเพียงอันเราเห็นด้วยวิญญาณที่เป็นไปทางจากปุทวาเป็นต้นนั้น ทีนี้แต่คําว่าประมาณเนี่ยนะมัตตาเนี่ยก็แปลว่าประมาณประมาณอย่างรูปที่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นทิ่ถามมัตาเนี่ยเกิดเป็นเพียงจากคุวิญาณเป็นประมาณท่านอธิบายว่าอย่างไงท่านอธิบายว่าจากคุจากขุวิญญาณไม่กําหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงใช่ไหมจากคุยัญเนี่ยไม่กําหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงในรูปที่ปรากฏชันใด เราเรานี่คือใรเรานี่คือใจรี <S <S ถ่ถ้าท่านผู้ใดกำลังต้องโดอยู่ก็คือท่านผู้นั้นแหละเราจักทำชาชวนาจิตของเรานั้นไม่ให้กำหนัดไม่ให้ขัดเครืองไม่ให้ลุ่มหลงก็สมาทานไว้ในใจแบบนี้ใช่ไหมสมาทานไว้ในใจว่าจักไม่ทำชาชวนาให้กาหนัดให้ขัดเครื่องให้ลุ่มหลงโดยเอาจักปุญญาณนั่นแหละเป็นอมมาณ เอาจากขวัญญาณนี่ยแหละเป็นประมาณ น, นอกจากจักขวญญ า, า, า, าแล้วเอาสัมปติชนาสันติระนาและเอาเวทรมนาเป็นประมาณด้วยเพราะสัมปติจัจ ส, สัมปติชนาสันติระนาและโวทรบนาก็ไม่กำหนัดไม่ขัดเครืองแล้วก็ไม่ลุ่มหลงเราก็จะเอาสัมปติชนาสานานานันติระนเาเวทรบนาเนั่นแหละเป็นประมาณนีกเหมือนกันไม่ขัดเครืองไม่ไม่กำหนัดแล้วก็ไม่นนลุ่มหลง เราจดตั้งโชวนาโดยโดยประมาณในจักรพูยาเร่งนี้ทีนี้ก็เป็นประมาณกาแต่ว่าอนการในสมัยตรงนี้ครับจากแต่ว่าภาษาไทยไม่ดีแว่าไม่แต่เรือไม่รู้เรื่อจากแต่ว่าจช่ไคำาถามมันอยู่ตรงที่ว่าคำว่าสักแต่ว่าของท่านพูนนั้นแล้วท่านเข้าใจยังไงใช่ไหม ถ้าสักแต่ว่าอย่างที่พ่อแม่ด่าลูกไม่ดีใช่ไหมถ้าสักแต่ว่าอยู่ถ้าพ่อแม่ด่าลูกไม่ดีเลยเช่นว่าเองจ่สักแต่ว่าทำนั่นอะไอันนี้คือคนทําไม่ดีนะจะสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าพูดสักแตว่าดูแต่ถ้าหากในที่ที่เคยเห็นทั่วไปเขาจะว่าเมื่อเห็นจับเป็นสักว่าเห็นเขาใช้สักเมื่อเห็นจับเป็นสักว่าอยู่ แต่ต้องมาขยายนะคาคํานี้ก็ต้องมาขยายต้องมาขยายตามอธิกถาตามวิการด้วยคือต้องมาขยายบอกว่าไอเห็นนะใครเข้าไปเห็นเห็นไม่ใช่เราเห็นจากกุญญาณเป็นผู้ที่เห็นและสิ่งที่ถูกเห็นก็ไม่ใช่หญิงและชายแต่รูปารมณ์เป็นเป็นตัวถูกเห็นใช่ไหมและมันต้องไปมากกว่านั้นนี่ก็คือว่ารูปารมณ์ก็เกิดจากปัจจัย รูปารมเนี่ยเพราะเป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่เกิดจากมหาพุทธรูปรูปารมถ้าเว้นเสียมหาพุทธรูปก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยมีมหาพุทธรูปรูปารมที่เกิดจากกรรมก็มีเกิดจากจิตก็มีเกิดจากอุตุก็มีเกิดจากอาหารก็มีเป็นเ้าเหล่าเนี้เนี่ยรูปารมก็เกิดจากปัจจัยถามว่าปัจจัยเหล่านั้นเที่ยมหรือไม่เทียมนั้นก็ไปสาทายกันเลยเว้ยก็ต้องไปท า, ยายวว ง, ปงวามเขพัฒบบน์บันนะ เกจากขูรวิญญาณก็เกิดจากปัใจจัยใช่ไมท่านจักทวาลวชัน น, นาเเป็นอนันตระเป็นต้นแก่จากขุรวิญญาณคือที่ี่เรียนมาอจคอาารพะว่ามันก็ไมคี่ว่าักามเป็แก่ใจรอแคคิดว่าว่ามันจะมีสู่มีนาไมเักรวามัน โดยหลักการจริงๆโดยหลักการจริงๆมันทําได้ไงล่ะต้องถามมาทําได้มไม่ใช่ว่าการปฏิบัติแล้วยิ่งไปปฏิบัติแล้วก็ก็ยิ่งไม่รู้อะไรเลยยิ่งไปปฏิบัติก็ไม่ให้รู้อะไรเลยก็ก็มันเหมือนปิดมุขจิตตารึเปล่า คือการการศึกษาพระธรรมที่เวลาศึกษาไปแล้วมันมันขันมันขัดกับะอะไรที่จกเราก็ไม่ควรจะเอาแล้วก็เอาตามใชดีก็คือเก็จะก็ต้องถือตามในหมหาประเทศที่บอกว่าอย่าขัดเคืองแล้วก็อย่าไปกําหนดยินดีหรืออย่าไปพอใจแล้วอย่าไปขัดเคืองกับคำพูดเหล่านั้น ข้ามาทบทวนแล้วมาตรวจสอบอยู่ในพระตะไลมีโดกมีพระวินัยมีโดกพระสุตตานมีโดกพระวิธรรมมีโดกถ้ามันลงนั้นไม่ได้นี้เป็นต้นก็มานติการตั้งไว้ในใจว่าท่านผู้นั้นจํามาไม่ดีก็แค่ตรง น, นั้นเองหน้าที่ของเราก็อยู่ตรงนี้ท่านผู้นั้นจํามาไม่ดีเพราะว่าบางชีเนี่ยก็อย่างที่พูดไงที่บอกว่า เวลาสาตยายที่พูดให้ฟังว่ามีพระเสียรสาธยายพ่เอยปฏิโมกย์เนี่พอสาตยายไปพุ๊บๆๆๆบุงขึ้นมาท้าก็ไปตัวพขพิดท่านก็แก้ไปทีนะเพาผิดกรับงที่สองต้อพิดไปบ่อยท่านบอ้อิดกันนักกันหนาทั้งนั้นเลย่านไดรักไหมท่านไม่ยอมรับเลยหรือที่บอกว่าท่านยกบาลีที่หนึงไปแปลทิ้ง พอไปทวงกันมาท่านบอกรีนี่ของเก่าท่านบอกนี้ของเก่าไม่ต้องอะไรเราเอาเนี่ยนะคุอกว่าอาทีตังนานวาเข้าไปอย่างในทัชเท迦ลกสุนเนี่ยพูดสิบคนก็ไปจนสิบเรื่องสิบเรื่องใช่ไหมจะต้องแปลออกมาบอกห้ามคิดอดีห้าม ที่อนาคตเห็นอะไหให้คิด็นปัจจุบันใช่ไหมที่ไหนก็ต้เป็นอย่างนี้เองไปดูดูมาแปลก็แปลออกมาเปิดมาหลายๆเรื่องนี้ก็เอจอถ้แปลกันแบบตามนั้ยจว่าไงถามแปลเขาทีนี้การการแปลนั้นถูกแต่ต้องเอาเอาถร า, า, ามาให้ใครฟัง อาตสาท่นานบอกว่าท่านไม่ห้ามการคิดเื่อดีตและอนาคตแต่ท่านห้ามว่าอย่าคิดเรื่องอำ น, นาจแห่งตัณหาและทิฏีิท่านพูดแค่นี้ที่ท่านห้ามตรงนี้คิดแม้ถ้าไปห้ามคิดอดีตถ้าอย่างนั้นคุณอธิบายสัมมาสัญญานหน่อยดิถามกันดิช่วยอธิบายหน่อยสัมมาสันญาอย่าอธิบายยังไงช่วยอธิบายหน่อยเพราะสัมมาสนญาาเนี่ยจะต้องอธิบายยังไงดีต และอนาคตได้ช่วยอธิบายทีนี้ถ้าหากสัมมัตสนญญาณไม่เกิดขึ้นในกระแสจิติองดัชนีนั้นแล้วอุทยาวิท ย, ยา น, นี่จะเกิดขึ้นยังไงอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงปัจจัยบริก า, ายาเลยนะยาต่บริ ญ, ญารเนี่ยใช่ไหมถามว่าถ้าไม่รู้ปัจจัยของนามและรูปเหล่านั้นถามว่าแล้วสัมมัตสนญญามจะเกิดขึ้นยังไง มีการพาดชั้นด้วยใช่ไหมก็าวหมดเยจะมีเจ้าบอกทางรัดหน่อยว่าขามานนะเนี่อะไรก็ขาวหมถ้าจะอธิบายยังไงใช่ไหมก็ให้ท่านอธิบายให้ฟังหน่อยจะบอกอธิบายให้ฟังเพราะว่าลำดับของยานก็มีอยู่ลำดับของวิปัสสนาญาณ ก, ก็มีลำดับของคำสอนก็มีอยู่การปฏิบัติก็เป็นไปตามลำดับนะ เขาเป็นไปตามลําดับทีนี้ที่ไหนแล้วใเพือ น, นี่พอพูดไปแล้วแล้วลืมช่วงนี้ช่วงนี้เวลาไปคุยกับ เ, เขากลุ่มที่เขา ส่วนใหญ่เขาบอกว่าช่วงนี้เขาห้ามแน่วงนั้นนะห้ามไปคุยกับคนที่รักเพระพุทธาศาสนาที่กำลังเรียดร้องอึ่งเอาศาสนาพุทธศาสนาเปนยุติธรรมชาติถ้าไปคุยเดียดเด๋ยวก็าโกรธเดี๋ยวเขาเขาบอกว่าจิดสามดวงนะ ก็คือสันติและสัมปติชนะสันติและวธบนาเนี่ยไม่กำหนัดไม่ขัดคืนไม่ลุ่มรวทีนี้ถ้าตรงเนี้ที่จะพูดตรงนี้ก็คือว่าในที่พระพุทธเจ้าสอนว่าพระองค์เนี่ยจำแนกอารมณ์อารมณ์หกนั่นเองจำแนกรู ป, ปารมณ์มมมสัตวอารมณ์กันธาอารมณ์ละกาอารมณ์โธตพารลมและธรรมารมณ์ในหกอารมณ์เนี่ยโดยโกฏิาสาทั้งสี่ คือมาย่อยเหลือสี่เช่นเมื่อเห็นจับเป็นสัตว์ว่าเห็นเนี่ยทางจักขูวิญญาณเห็นรูปอารมณเมื่อได้ยินจับเป็นสักว่าได้ยินเนี่ยนี่ทางโสตวิญญาณรับสัทธาเมื่อทราบจับเป็นสัตว่าทราบเนี่ยอันนี้คือคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณแล้วก็กายยาวิญญาณที่รับพวกทันธารมลาธาลมแล้วก็โภธาภูมิเมื่อรู้แจ้ง น, นี่คือมโนวิญญาณใช่ไหม ย่ออารมณ์หกให้เหลือสี่เขาเรียกโกรธท้าสาสีทีนี้เมื่อย่ออารมณ์ในรักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าให้ทังที่บอกว่าดูก่อนพยายาเธอพึงทำการศึกษาก็แปลว่าทำสิกขาสามให้เป็นไปกับอารมณ์ทั้ง6ก ใช่ไหมคือว่าในขณะที่เห็นรูปารมณ์เป็นต้นอย่างเนี้ยก็ทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะที่เห็นเพราะศีลเนี่ยจะทําลายกิเลสก็คือโทสะใช่ไหมสมาธิก็กําจัดกิเลสก็คือกัญหาส่วนปัญญาก็คือกําจัดโมหะถ้าหากว่าทำศีลสมาธิปัญญาให้เป็นไปกับการเห็นก็จะการกิเลสทางทวารตาได้ ถ้าําศสีนสมาธิปัญญาให้เป็นไปกับกลางได้ยินก็จะกันตัณหากันโทสะแล้วก็การโมห oh ะทางทวารถึงได้แม้แต่ทางทวารใจก็เหมือนกันก็ทำสีนสมาธิปัญญาให้เป็นไปก็จะได้กันตัณหากันโทสะแล้วก็การโมห oh ะในทวารใจเป็นต้นแล้วลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเห็นแล้วอริยสัจเนเ่ยมันปรากฏ อย่างนี้ก็เรียกมีวิชาใช่ไหมมีปัญญาแต่ถ้าโมหะมันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเห็นอารมณ์เหล่านี้แล้วมันปิดบังสภาพดาววาวเป็นจริงมันไม่เข้าขใจหรอกว่าไอสิ่งที่เข้าไปเห็นรูปารมณ์เนี่ยมันกือจากผู้วิญญาณเห็นไม่ใช่เราเนี่ยไม่เข้าใจหรอกโมหะจะปิดไอสิ่งที่ถูกเห็นก็คือรูปารมณ์ไม่ใช่หญิงชายเป็นตต้นเหล่าเนี้ย โมหะเขไม่เข้าใจหรอกก็เหมือนที่เราเข้าใจกันทั้งหลายเราเห็นหญิงชายเป็นต้นเหล่านี้เข้าใจใช่ไหมลักษณะของโมหะเนี่ยเวลามันเห็นมันปิดบังอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าอาย า, าละคโนมีความไม่รู้อริวาัตเพราะเขาไม่รู้เลยว่ารูปารมณ์เนี่ยเป็นทุกขศาสัจจคุยั ญ, ญาณเป็นต้นเนี่ยเป็นทุกขศาสัจจใช่ไหม ปัญหาที่เป็นปัจจัยเป็นต้นน่ะที่ทําให้เกิดจักรวิญญาณเป็นต้นเหล่าเนี้ยนี่เป็นสมุทัยสัจจ์ความไม่เป็นไปของจักรวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้เป็นนิโรธาสัจจ์ปฏิปทาที่ให้ถึงนิโรธเป็นมั่งเนี่ยตัวโมฆะเนี่ยไม่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงอริยศาสตร์ไม่ปรากฏในขณะรู้อารมณ์ฉะนั้นนักปฏิบัติเวลาเห็นจักเป็นสักดิ์เห็นหรือเห็นจักประมาณว่าเห็นเป็นต้นเนี่ยเขาไขขวดเป็นอย่างดีต้อบอกว่า ท่านพะพายยาเนี่ยสร้างบรารมีมาอย่างยาวนักไกลเลยในชะ่ไหมเวลาท่านฟังแค่นี้ท่านก็แทงตลอดได้แล้วจะไปถึงอีกคํานึ่งนะบอกว่าจะต้องดูบาลีตรงนี้สมัยก่อนทางเนี้ยเขไม่เข้าใจไม่แค่สมัยก่อนสมัยนี้แหละนานเนี้ยเขไม่เข้าใจยากไม่รู้เป็นยังไงแต่ก็ทาสอนีอน้ แตี่ยทำไมเขาบอกว่าเมื่อฟังจะเป็นสัมว่าฟังเมื่อทราบจะเป็นสัมเมื่อรู้แจ้งจากเป็นสวมในการนั้นท่านย่อมไม่มีในการใดท่านย่อมไม่มีในการนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้แหลไปที่สแส่งทุกข์ถามว่าที่กล่าวอย่างนี้หมายถึงอะไรคําว่าท่านไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีในโลกทั้งสองเป็นเท่าไรเนี้ยอันนี้เป็นที่สดแส่งทุกข์นี่หมายถึงอะไร ก็หมายความว่ า, วารูปน้ำใช่ไหมรมูปน้ำฐันห้าเนี่ยถ้าหากว่าแทางตลอดจัตจารบรลุทําลายอาสวะมีกามกาสวะเป็นต้นเหล่านี้ยเป็นบ้าอรหันต์แล้วเนี่ยต่อไปรูปน้ำของท่านก็จะไม่ปรากฏในโลกนี้และโลกหน้าและในโลกทั้งสองอันนี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์คือท่านเจตปริทิคขาแล้วท่านไม่มีปฏิสติกรรมแล้ว แต่ก่อนนี้ทำไมไม่มีระหว่างโลกทั้งสองเป็นอย่างนี้เลยดันั้นในเรื่องตรงนี้ได้บอกว่าไม่แทงตลอดเนี่ยก็แปลว่ารูปารมณ์ตถาอารมาน์ัณดารมณ์ลัษายอารมณ์บุตรภาอารมณ์ได้ธมารมมาปรากฏเป็นต้นเหล่านี้ยก็อริยสัจก็ไม่ปรากฏอย่างนี้เนี่ยโมหะแค่ที่โมหาแก่ แล้วอย่างหนึ่งก็คืออารามนาสภาวะปัจฉานานาระโสมมีการตกติดไว้เป็นสภาวิรวมดิเป็นกิจคือเขาปิดไว้หมดเลยถามว่าเมื่อปิดไปหมดก็แยกไม่ออกยกตัวอย่างเช่นว่ารูปารมเนยเกิดจากสมุทฐา น, นื้อสี เกิดจากกรรมบ้างจิตบ้างอุตุบ้างอาหารบ้างฉะนั้นดินที่เกิดจากกรรมจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารที่เป็นปัใจจัยให้ตรารูปารมมาสายเนี่ยสิ่งเหล่นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่งามเป็นต้นเหล่านี้นะไม่เห็นหนะไม่เห็นอันนี้จะลักษณะของของสภาวะธรรมเหล่านี้เปอย่าอย่าลืมนะที่ไปบอกว่าเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ไปเห็นตัวขอ ง, ของเขาไม่เที่ยงก่อนนะต้องไปดูปัจจัยของเขาว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรใช่ไหม ปัจญาปาริฆาญาณต้องต้องชัดเจนหลังจากแยกว่าอันนี้เป็นรูปเป็นนามแล้วเพราะว่าอย่ายกตัวอย่างเช่นว่าจักคูวิญญาณเป็นนามทำที่สัมบยอดจะจักคูวิญญาณเป็นนามเห็นไนะสุรุปารมเป็นต้นเหล่านี้เป็นรูปเนี่ยลักกันไอย่างนี้คือแยกรูปนามหมอกจากกันได้แล้วอย่างนี้นะแล้วยังไม่เข้าใจอีกอย่างว่าจักคูวิญญาณอาศัยวัตถุอะไรเกิดเป็นต้นเหล่านี้นะ ก็รู้ว่าอ๋ออาศัยจักรโว่วถูกเกิดเป็นต้นเหล่านี้จักรโห่วถุกถูกเป็นต้นเหล่านี้ตลอดถึงรูปที่เหลือเหล่านั้นก็เป็นรู ป, ปรขันหลังเหล่านี้ก็พยทยามความเข้าใจด้วยความเป็นรูปเป็นนามจนถ่ายถอนความเป็นสัตว์บุคคลความเป็นอัตราตัวตนได้จนชัดเจนแล้วจึงไปไขควนโดยายาตรปริยายประการหนึ่งด้วยควาเป็นดูปัจจัยของนามละรูปเหล่านั้นใช่ไหม ว่าเออจะกูวิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยปัจจัยนะมีอนันตระปัจจัยบ้างศาสชาตาปัจจัยบ้างสามประยุติปัจจัยเป็นต้นเหล่านี้บ้างก็ไปไข้ ค, ควในลยต้องสอต่างๆเหล่านี้แล้วก็รู้ว่าปัจจัยเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหล่านี้เอหาสั่บุคคลในสิ่งเหล่านั้นนี่ไม่มีเลยเนียมันถึงจะเริ่มถ่ายถอนด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาลักษณะอย่างนี้มันถึงจบเยียงพอต่อความที่จะเบือนนะถามว่าถ้าอย่างนั้นมันจะหนาเดื่อน่ายอะไรใช่ไหม ต้องรู้จะไปเบื่อไหนอะไรอย่าลืมนะว่าทุกคนพูดกันได้หมดนะว่านิจังทุกการณการทั้งทั้งที่ไม่ต้องฝาคําสอนอะไรมันไม่เที่ยงอ่ะพ่อก็ตายแม่ก็ตายไม่เที่ยงแต่ก็ยังมากกว่าเดิมเท่าเดิมเดิมซ้ำไปถ้าเราบอก่ความโรคมันลดลงไม่ความปวดลดลงไม่ความหลงลดลงไม่เมดลดลงเลก็แสดงว่ามันไม่ใช่อ่ะแต่ในการคิดลักษณะน้อยอย่างนั้นมันไม่เทียงบอลยิงเลย ไม่เพียงพอเราควจะเป็นเพียงพอแบบนี้น่าจะมีผ้าอาญาเต็มบ้านเนืองเลเออใช่หมนี่มันมันผิดทางไม่ต้องยอมแล้ว่าผิดออใช่ไหมออถ้ามันผิดก็ยอมแล้ว่าผิดออใช่ไหม มันผิดมาตั้งมากมายแล้วแต่มันจะผิดใหม่ร้านบ้องเห็นยนจเป็นไรพ่ามันผิดมายังไม่รู้ยังใช่งไปตหเนี่ยที่ผ่านมาในสังสารวาัตรเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยสม า, ามทานนี่าะมากเนี่ยถ้าสมาทานสมามากกว่านี้ไปนักไปไกลแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วมันผิดมาเงั้นเวลากล่าวคําสอนที่มันผิดผิดมันถึงถูกอัธยาไศัยอย่าแปลกใจ เวลาใครกล่าวถูกมันมึดมึสงสัยแล้วเอใช่ไม่ใช่เนี่ยเวลาจะกล่าวสิ่งที่มันถูกใช่ไหม <S <S ถ้าว่ากล่าวสิ่งผิดผิเนี่ยมันใช่แน่อะไรอย่างเงี้ยคิดตัวนี้มานานแล้วเป็นอย่างเงี้ย อ, อย่าลืมว่ามันมเข้าไปไประชุมธรรมะ ก, กันอยู่ที่หนึ่งโอ้ายีความรู้กันเต็มก็ไปไประชุมให้พประชุมเสร็จแล้วเาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันต้องมีการปรยุคําสอนนึกว่ากันแบบนี้เนี่ยประยุทธ์เสร็จ เขาบอกว่าถ้าไม่ไปยุแล้วคนสมัยปัจจุบันก็รับไม่ได้ก็เขาพูดอย่างเนี้นะเขามีพระเทล่าอยู่รูปหนึ่งนะท่านลุกขึ้นอยู่แล้วท่านก็บอกว่าท่านทั้งหลายผมไม่รู้เชื่อใจจำชื่อท่นกันก็บอกว่าคําสอนของพระเจ้ า, าที่บอกว่าตัสไว้ดีแล้วเนี่ยถึงพร้อมด้วยอัตขาและปัญญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิม เ, เนี่ยคำคเนี้แสดงว่ามัน มันยังมีข้อบคุคคลอยู่ใช่ไหมในวารที่กองทัพโดนแสดงว่าพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้เนี่ยยังไม่ดีพอใช่ไหมพวกท่านต้องมาไปเชื่อหยิบกันหมดเลยไม่มีใครไม่มีใครพูดสักคำเลยยีตาลุงลูกขึ้ขออก็ตัดเรื่อยใช่ไหมแต่เราไปที่จริงาารลลต้องพุทธเจ้าสมบูรณ์แล้วตัดก็ดีแล้ว าาการัตรบัตรบัต่บัตรัตรบัตรบัตรบัตรบัตรบัตรบัตรัตรบัตรบัตรบัตรบับััรรับรบรรัตรบนี้ถ้ารัตรบัตัตรรับัตรบัตรบัตรบััตรัตรบตี้ัตรบัตรบัตรัตัตรบรบัตรบัตรบัตรรร่วมสมัตครับตรบัตรบัตรับบรรรรรับบรับ นอนี่เรามีการตกปิดไว้ซึ่งสภาว่ารวมเป็นกิจแล้วก็อัฐทานนะจะขอไปอันทาการะปัจจทบนันมนมีความมืดมนมเป็นผลมืดมนเป็นผลเนี่ยผลตากก็ถือว่าคือถ้าไปศึกษาหรือไปฟังมาแล้วเนี่ยหรือไปประพฤติปฏิบัติอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยมันได้มาซึ่งความมืด ได้มาซึ่งความไม่รู้อันนั้นคือผลปรากฏเราจะสังเกตได้ว่าคนที่ศึกษาว่าทำไม่ถูกหรือว่ากลุ่มที่มีโมหะก้อนง้างมากเลยหรือเราท่านทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยให้สังเกตว่าเออยิ่งเรียนเรียนเรียนไปแล้วมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือรูปขันเวทนาขันปังขาระขันวิญญาณขันไม่รู้ว่าอะไรเป็นจักรวาลยตนาเป็นต้นอะเนี่ยนะอันนี้มันมืดแล้วลักษณะนี้มันมืดมนแล้ว อยโยนิโสมณติกาละปทาฐาเราจะมีการให้พิจารณาอารมณ์นั้นๆด้วยดีหรืเป็นเกิดกันอันนี้คือลักษณะของโมหะดังที่ได้กล่าวครั้งที่แล้วก็คือว่าอุเบกขาใส่ขจังวิจิกิจขาสัมยุตังก็คือว่าจิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยเฉยเนี่ยประกอบด้วยความสงสัยนั้นลุกนั้นดวงหนึ่งส่วนอีกดวงหนึ่งก็คือว่าอุทะจักสัมยุตังเนี่ยนะเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยแล้วก็ประกอบด้วยความสงสัยในสองดวงเนี่ย อุเบกขาสักตังเกิดพร้อมด้วยเวทนาอย่างหนึ่งแล้วก็วิจิกิจาแล้วก็อุทธจารัมาธิายธอย่างหนึ่งในอุเบกขาสักตังเนี่ยเกิดพร้อมด้วยกับเวทนาเนี่ยในที่นี้คืออุเบกขาเวทนาแต่สภาพสองอุเบกขาเวทนาในโมหะเนี่ยต่างจากอุเบกขาเวทนาในโลภะ อุเบขาเวทนาในโมหะหมายถึงสภาพความรู้สึกเฉยเฉยต่ออารมณ์ที่ปรากฏนะเพราะความหลงไม่รู้ถึงคุณค่าของสภาพอารมณ์ที่ปรากฏนะคือไม่รู้ตามตามเป็นจริงแต่อุเบขาในโลภะเนี่ยเขามีความยินดีเล็กน้อยเนีในโลภะเขามีความยินดีเล็กน้อยยังไม่ถึงกับทาให้ความรู้สึก ยินดีมากเหมือนสมัย น, นะ้เออมันต่างกันนะเพราะว่ า, วาอุเบกขาในโลภะเท่าเบกขาในโมหะวิจิจิตราสัมปยุทธ์เนี่ยประกอบด้วยความสงสัยความสงสัยเนี่ยมันมีว่านิวารณาวิจิกิจฉาอันนี้หมายถึงความสงสัยที่เป็นนิวรณ์ไอ้ตัวนี้เป็นตัวสกัดกั้นกุศลธรรมมีทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนต้นไอ้ตัวนี้เป็นนิวรณ์ วิจิติชาตัวเนี้ยส่วนปฏิรูปะวิจิกิจฉานี่หมายถึงการสงสัยในชื่อคนเช่นสงสัยในชื่อคนสิ่งของสิ่งที่เราไม่รู้จักสงสัยในวิชาความรู้อันนี้ก็เรียกว่าความสงสัยเหมือนกันแต่เรียกว่าปฏิรูปะวิจิกริชาสงสัยนี่ความสงสัยที่ประกอบไปด้วยโมหะ ภูและจิที่เป็นวิจิกิิชาเนี่ยมุ่งหมายถึงนิวารณ์วิจิกิิชาเท่านั้นเป็นความสงสัยเกี่ยวกับในเรื่องของพุทธะกรรมกติทั้งที่ได้กล่าวเนี่ยสงสัยในในไหนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงสัยในสตรีละสงสัยในมหาปุริสละษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้า เใช่ไหมว่าลักษณะของพระพุทธเจ้าที่ประจับไปด้วยอนุพยนชนะหรือมหมาปุริสากขณะเป็นต้นเหล่านี้ยอมันจริงหรือไม่จริงยังไงเป็นต้นเหล่านี้ในลักษณะจงใจอย่นี้นะบางทีก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีตัวตนจริงหรอกเนี่ยคงสมมติกันขึ้นมาเพื่อเป็นอุบายให้คนทำความดีเพื่อให้เกิดเกิดความสามารถขีด จะได้ ไ, ไม่ทะเลาะบอกแหวนกันไม่มากหาังกันเพื่อเป็นอุปายร่อลอลคนทำความดีนั่นเองฉะนั้นจริงๆไม่มีอยู่จริงเนี่ยแต่ความสงสัยลักษณะอย่างเงี้ยมียกออกมาแล้วจริงๆนะความสงสัยแบบนี้ลองพิจารณาดูด<ม>ีนะนักวิชาการทั่วไปเขาคิดยังแบบเนี้นออยู้อเขาเขาจะไม่ลึกซึ้งในภาษาศาสนาเขาจะมีความสงสัยแบบนี้ยเขาจะมีวความสงสัย เขาบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงแล้วก็เป็นการอกปรงโลก ข, ขึ้นมาเพื่อให้คนทงความดีคือมีคนฉลาดอยู่คนหนึ่ง ว, ว่างั้นเด้อลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะส่วนพุทธคุณก็คือว่าสัมมาสัมพุทโทธหรืออรหงังเป็นผู้ไกลเจริญเป็นต้อนอะไรเนี้ยนะอันนี้ก็ในพุทธคุณทั้งเก้า อันนี้เขาเรียกว่าสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าส่วนทำเมกังขติก็สงสัยในสวารขาสงสัยในพระธรรมบอกว่ามรติผลสีนิพพานหนึ่งและพระไตรปิฎกเป็นธรรมที่ทพระที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วในบทเรื่อสวารขาโตเป็นเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วในจริงหรือไม่เป็เจ้าอะไรนี่นะอันนี้ก็สงสัยว่า ค, คือในในคําว่าพระธรรมเนี่ย พระธรรมของพระพุทธเจ้าตรงนี้ที่บอกในสารณะในสารณะเป็อยู่พุทธรัตนะธรรม ร, รัตนะสันตรัตนะเนี่ยถ้าบอกว่าพระพุทธเจา้าที่บอกว่าเป็นสารณะเนี่ยสารณะในที่นั้นโดยความบอกว่าที่บอกว่าเป็นเครื่องรับจัดไทยเนี่ยนะที่บอกเป็นเครื่องรับจัดภัย ก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดภัยให้กับสัตว์ได้จริงหรือไม่ลักษณะอย่างนี้ที่เขาบอกว่าในพอดูในเรื่องของสารณะนี่เนี่ยสารณะเขาบอกว่าพุทธรัตนะก็กําจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายโดยการให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และนําออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็คําว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายโดยการให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นโดยส่วนมากก็คือถ้าประโยชน์สูงสุดก็คือปรมัตถประโยชน์ถ้าประโยชน์รองลองมาก็คือประโยชน์ในพบหน้าประโยชน์ในปัจจุบันอย่นี้นะถามว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ถามว่าใครทําให้เราเข้าถึงได้ก็บอกว่าพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านชี้ทางใช่ไหมว่าทางเนี่ย ทางนี้นะที่จะดาเนินไปสู่ความพ้นท <unc> ุกข์นั so us, so ium, so ่นท so ่านชี้ประโยชน์ให้ท่านชี hmm. you. You ้พระนิพพานให้ที่บ่าชี้ทางบรรเทาทุกชี้สุขคติมสารชี้ทางวันนิบาลอันควรจะวิโยปไปเนี่ยคือท่านชี้ประโยชน์นั่นเองชี้ปารมาถ้าประโยชน์คือประโยชน์สูงสุดแล้วก็ชี้สัมปรายิคถาประโยชน์แล้วก็ชี้พิถาประถาประยชน์ก็คือประโยชน์ในปัจจุบันลักษณะอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าชี้ประโยชน์ แล้วก็บอกว่าให้ถอยออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กันคนองไม่ค่อยเชื่ออะไรตรนี้กังขาในคุณของพุทธเจ้าก็สงสัยว่า อ, อจริงพุทธลัตตนาเนี่ยจะนำเราออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จริงหรือไม่เพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ใช่ไมใ้ยถ้าถามบอกว่าในชีวิตประจาวันของคนในปัจจุบันนี้เขาคิดว่าอะไรเป็นประโยชน์ ก็ต้องคิดว่าการมีตําแหน่งหน้าที่การงานการมีเงินมีทองการได้รับสการาเสียงแพลระเสินเยนย อ, ยอเป็นต้นเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือมนเขาก็จะขวนขวายถึงอย่างนี้แต่ในพระศาสน า, นาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์อย่างเช่นว่ารู้กว่ากิจสุทั้งหครับอกว่าพระมอาจารนี้ไม่ใช่มีราภสการาเสียงแพลระเสินเยนย อ, ยอเป็นประโยชน์นั้เป็นอานิสงส์นะไม่ใช่ใช่ั้มไม่ใช่เลยแต่ว่ามีอะไรมีความต้นทุกเมือนเป็นประโยชน์ อันนี้พวกประโยชน์ประโยชน์ในทางภาษาศาสนาเนี่ยกอพูดไปแล้วเนี่ยถ้าไปอธิบายให้คสนสวนมากฟังว่าการการปราถนาพระนิพพานคือการไม่ขุดไม่เกิดเนี่ยเขาจะสะดุ้งสะเทือนกันอย่างมากใช่ไหมจ๊ะลองไปพูดกันอย่างนี้เดอท่านทั้งหลาย ในพพุทธศาสนาสอนว่าอย่าได้ผลได้เกิดนะนี่คือจุดหมายปลายทางของภาษาศาสนาของเราหรือมนไเนี่ยสงสัยนะท่านนั่งอยู่หน้าจอทีวีก็ฟังห่าเลยอืแรงขนาดนี้เลยใช่ไหมบอกเพราะคำคำนี้เราโดนด่ามาตอนเด็กๆเนี่ยตอนด่ามาเนี่ยคลิกดื้อหน้าตัวที่สุดก็คือถ้าโดนด่าวอย่าได้บูญได้เกิดจะตัวมาก กลัวมไมไ่หายใจใช่ไหมจ๊ะเราขอประโยชน์สูงสุดนะเราขอประโยชน์อย่างยิ่งนะอย่าลืมนะฉะนั้นถ้าไปโก้ไทยคนที่เขายังมีกิเลสอยู่ซึ่งเขายังติดนั่นในในบุตรและภรรยายในทรัพย์สินฐานเปต้นเหล่านี้ยเราไปบอกเขาบอกว่าประโยชน์สูงสุดคือการไม่เกิดเขายาวกว่าเราแคนี้ <t> วันก่อนวันก่อนมีมีโยมเขาให้ไปพูดให้คนป่วยฟังคนป่วยเขาอยากใกล้ใกล้แต่ใกล้จะตายแล้วนี่ให้ไปพูดแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เมื่อตอนจะพูดเรื่องหนาประวัติก่อนนช่มฟังคำมาบ้างไหมไม่เคยฟัง จะพูดทัจะพูดสุดไหนอ่ะหนูไม่รู้พูดยังไงถ้ายังย้อนย้อนที่ความธรรมะมามากมากดีก็เหตุหน้าก็พูดได้ใช่ไหมจะพูดพูดธรรมดาได้เลยก็ไปถึงแล้วก็บอกว่เออเนี่ยมันไม่รอดมานานแล้วเดี๋ยวโอ๊ตายแลตั้งนานตั้งหลายภพหลายชาตแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายต่อไปนี่น้องธรรมดาไม่พูดอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไร ถ้าลองไปพูดอย่างนี้ดูมีมวลพาสแม่แช่งตัวเต้ยอะไรเข้ไปพือหนจะได้กลับรถคันเดิมรกอปล่าเขาต้องพูดให้กำลังใจไปต่อสู้นะอะไรนแล้ว่ามันสู้ไม่ไหวไม่ไหวได้ไงเขไม่เข้ผมไม่เชื่อว่าตพ่อู้่อเดือดเจ้าเขาไปเรียนพูดย่งงนี้ ถ้าถ้าคนไม่เคยมีข้อมูลในคําสอนเลยถ้าให้ไปแนะนําทางสว่างท่านจะไปแนะ น, นํนาำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ท่านนั้นก็อย่างที่เขาพูดกันอย่างเป็นการล้อๆมันไม่ล้อมัเรื่องจริงที่บอกว่าไปกระเทือนที่ขาหูท่องอะไรหัอออนอะไรหันต้องเลยพูดทางออกมาอะไรหายวะ อะไรหาไปเข้าใจใช่ไหมว่าจริงๆแล้วก็คือว่านี่แหละคือสาระนาที่เขาไม่เ้าฉะนั้นคําว่าพุทธสาระน้านี่แปลว่ากําจับไทยเสัจับทั้งหลายโดยการให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้ถอยออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหมดอย่างเช่นให้ถอยออกจากรูปปั้นฐานเวรนาฐานสัญญาฐันสัญญาณฐัน บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์เลยไม่มีสาระเลยเนะี่ยก็พวกนี้ร่วประคั่นไม่มีสาระของความงามความสุขความเพียหรือต้องความยั่งยืนเนะี่ยเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันไม่มีความสุขความขี้นความยั่งยืนและความงามอยู่ในนั้นเลยเนะี่ยอันนั้นคือค่อยถ อ, อยหางออกจากสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ ทีนี้เราไม่ต้องพูดถึงลูกถึงเนื้ถึงทับสมบัติต่างๆเหล่าเนี้ยมันเป็นสิงที่ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมไม่มีประโยชน์กล้ความงามสุขเที่ยงและความเป็นอัตตาเนี่ยนะมันไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ไปพูดกันได้ในกรมที่ศึกษามาดูแล้วก็ไปชี้แจงบอกได้วนี่คือพระเจา้าบอกให้ถอยห่างออกมาถอยกันได้กี่วาแล้วก็เป็นให้ถอยห่างถ้ามาถอยห่างในที่นี้คือใจนะใจต้องไม่เป็นผูกกับสิ่งเหล่านั้นนะถ้าผูกแล้วมันก็เป็นทุกข์แล้ว มีลักษณะอย่างนี้คือให้ให้ออกจากสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ทีนี้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็ก็คือว่าการเข้าหาคําสอนโลวงพ่อเถดเจส่วนพระธรรมเนี่ยสงสัยในพระธรรมสงสัยว่าสวากขาตะทำเป็นต้นเหล่าเนี้ยว่าเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจริงหรือไม่มรติผลติทิพานหนึ่งแล้วก็ะเพราลายปีดอกเป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติสามารถ ให้พ้นจากว่าจ่าพ้นจากฟองทบกได้จริงหรือไม่ที่อบอกว่าเจรณาจ่าคือว่าทำเนี่ยทําให้ตัดน้ำข้ามพ้นจากกันดานคือพบและให้เห็ให้ความตรงร่วงใจในจริงหรือตปล่าใช่ไหมความสงสัยก็เยอะเลยึ้นเพราะว่าทำเนี่ยนะเโดยเฉพาะพระตระกียติธรรมที่เราศึกษากันเนี่ยจะเป็นปัใจจัยในการเข้าถึงมรรคผลระลเบียบนิพพาน ถ้าเราศึกษาคำสอนเนี่ยเขาเรียกว่าศึกษาแผนที่ศึกษาแผนที่ได้ดีแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าลายแทน เ, เนี่ยนะพอเราศึกษาได้ดีแล้วเนี่ยเวันลำเดินเรามั่นคงมั่นใจในเวลาเราเดินเนี่ยว่านี้เป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ไม่ผิดแน่พอเรามั่นใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะนําเราเข้าสู่มรรคผลและประนิทาน แล้วก็พ้นจากชาติดทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์พ้นจากกามมาพบรูปมาพบแล้วก็อรูปมาพบคือพรบทั้งหลายเนี่ยชื่อว่าเป็นกังดานของสัตว์ทั้งหลายเมื่อไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ปลอดโปร่งมันไม่โล่งใจมันไม่เบาใจใช่ไหมเมื่อไปแล้วมันไม่ปลอดภัยแต่เมื่อศึกษาพระธรรมแล้วเนี่ยพระธรรมก็นาเราออกจากความความทุกข์มีชาติดทุกข์เป็นต้นอะไรเนี้ยทีนี้คนที่เขากังขาเขาไม่เชื่อ ไม่เชื่อว่าพระตรปิฎกที่กาลังศึกษาว่าจะเป็นหนทางให้เรานั้นดําเนินตามปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงบรรลุอริยามรรตาริยผลบรรลุพริธพานก็คือว่าไม่นี่จะเป็นปัจจัยในการปริิพานใน้จริงหรือไม่เนี่ยก็สงสัยแล้วลักษณะอย่างนี้เป็นนิวรณ์เป็นตัววิจิกิจฉาเป็นความสงสัยอันนี้ก็ถ้าเป็นโมหะเนี่ยก็ก็ขจัดไม่ได้ แต่ถ้าไม่โมหะนี่เขาจะไม่รบไปตรงนี้ประการที่สามก็คือว่าสังเคตกรรมคติก็ ส, สงสัยในพระสงฆ์ระสงที่เป็นสารณะเนี่ยเขาะจะทำสต ก, การะไม่น้อยให้มีผลไทยบุรก็ว่าพระราชนัรัยเนี่ยคืออาริยะเนี่ยเนะยส ก, การะเพียงน้อยนิดดอกไม้เนี่ย ดูเหมือนค่านิดหน่อยแต่ถ้าบวกด้วยเจตนาของเราที่มาด้วยบริสุทธิ์แล้วน้อมบูชาคุณของท่านเหล่านี้ใช่ไหมอันนี้สง์มากอันนี้สง์มากก็เพราะว่าเราดูตรงไหนเราดูแค่บอกว่าให้ทานแก่สัตว์เดราชาเนี่ยได้อันนี้สง์ร้อยชาติถ้าให้ทานแก่คนทูศีเนี่ยได้รับบริสงท์หนึ่งพันชาติ ให้ทานแก่คนที่มีศีลแต่ทายนอกศาสนาเนี่ยแต่เขาได้อวิญญาได้สมาบัติเลยทั้งหลายเนี่ยแสนโกรธชาติถ้าหากให้ทานแกคนที่มีศีลใช่ั้ยนับไม่ได้ แล้วให้ทานกับบคุคคลที่ประพฤตปฏิบัติเพื่อจะบรรลุพระโสดาบันนะี่นะเพื่อจะเป็นพระโสดาบันก็โหอันนี้สงสับไม่ได้นี้นิพพานยะไม่ต้องพูดถึงนะนับไม่ได้บุญนี่ยนับไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเป็นค่าในการที่มาเปรียบเทียบในการนี้กันนะอันนี้สมม่งมากอธิบายอย่างให้คน เ, นเปิดไปไม่ได้ที่ไหนเขมองไม่เห็นไงเขา ม, ามองไม่เห็นกระแสะบุญกระแสะของเจตนาที่มันเกิดขึ้น ยกตัอยางเช่นว่ารัดนิ้วมือหนึ่งแสนกอดครั้งเนี่ยที่จิตเกิดดับเขาก็อมีเขาจะไหวเจตนาในการที่เราจะบูชาคุณของท่านหรอเนี่ยนะพวกเจตนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นหลายล้านโกดเจตนาเนะีและเจตนาเหล่านั้นมีผลนะยับปฏิสัมพี่นะให้เกิดขึ้นเนะี่ยก็เหมือนกับคนที่เราไม่เชื่อไม่เดียวเลยยกตัอยากเช่นนั่งอยู่ดีๆแล้วเราโกรธเขาอยู่เนี่ยโหน่าจะไปตายสมมติเห็นนะนั่งโกรธแช่งร้อใยใจตายเนี่ยให้เขาอุบัติเนี่ย เราไม่รู้เลยว่า น, นี่มันเคากับมาบดนะแล้วเป็นปยาบาทเป็นเอาเ อ, า เ, อาเป็นเอาผลกรมาบดแล้วกรรมแบบเนี้นำปฏิสติที่ไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปพูดไม่ต้องลุกมือขึ้นไปทำกายกรรมไม่เคลื่อนไหวเลยนั่งนิ่งอยู่เฉยๆใจคิดใจเนี้ยแค่นี้เราก็ตกนรกไปเลยต้องเียนต่อใจยังไงเหมือนคนบางคนเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ อยน่นีไม่ได้ทาบาปอะไรแล้วแม น, น, นแล้วขาไปทำไหมนั่งอยู่บ้านดูทีวีทุกวันเยทำบา ป, ปเลยไม่ได้ทำบาปเปนั่งอยู่บ้านดูทีวีก็ไม่รู้จะพูดยงแต่าบอกว่านั่นยบาปมากแล้ ว, วใช่ไนั่งนั่งอยู่บ้านดูมวยทุกวัน <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดทำมากระทบตันแล้วพูดอีกเป็นการยกสุดท้ายหมอนแต่แต่ถ้าคนศึกษาก็จะบอกว่ายอมดูเป็นเขาอยู่ไปดูไปกำหนดไป ดเดี๋ยวคนไปสปกิดก้างๆแนีวทำไมกำหนดหน้าดำหน้าแดงน <laughs> ี่มีมีพระยุรูปหนึ่งเขาพูดเนี่ย เ, เราก็นึกว่าท่านเพ่งกับิลิถามว่าทำอะไรเพ่งกับิลแต่เราไ่เพ่งกับิตป์ินป์ของผมสี่เหลี่ยมก็คือท่านเท่ง เท่ง ก, กันบ่อยไม่ได้เส็นเดอดนี้ฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นสารณะโดยการที่ว่าจิตสุประบาทคือความเกิดขึ้นของจิตและเกิดดึกที่เกิดขึ้นโดยความเลื่อมใสโดยความเคารพในปรรัชนารรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กำจัดและทำลายทีเล็ เพราะว่ามีพระรัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าเป็นการถึงพระรัตนาสตายด้วยต้นลักษณะอย่างนี้ก็บอกในขนาดนั้นเน่ยกิเลสที่อกุศลต่างๆก็ก็ไม่เกิดขึ้นโดยการถึงสถานะโดยการมอบกายถวายชีวิตบ้างโดยการมีพระัตนตรัยเป็นไปในเบื้องหน้าบ้างโดยการเข้าถึงความเป็นสิทธิโดยการมอบนองน้องสิ่งต้นเหล่านั้นก็เป็นการถึงพุทธธรรมแล้วก็พระศพ ส่วนสิกขาญากรรมกติก็คือสงสัยในสิกขาสามอันนี้สงสัยในอาทิเตยสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาว่าสิกขาสามเนี่ยจะเป็นข้อปฏิบัติให้พ้นจากวัฏะได้จริงหรือไม่พ้นจากทุกได้จริงหรือไม่ก็อย่างเวลากล่าวว่าเวลารูบารมมาปรากฏและจักขูวิญญาณในจักขูทวารโลกิถีเป็นต้นเกิดขึ้น ก็ทําสิกขาสามไม่เกิดขึ้นในใจในขณะนั้นเป็นเท่าไหร่ <S <S <S จะทํำยังไงเย้เออถ้าทําสิกขาสามไม่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยนี้จะเป็นการป้องกันการกีเลสไม่เกิดขึ้นแล้วในที่สุดจริงๆจะเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติให้เขาถึาคงความบรรลุธรรได้ตรงเนี้มันบางคนเขาก็ไม่เชื่อแต่ถ้าคนที่เขาเชื่อเดี๋ยเขาเขาก็ทําในชีวิตจริงๆเขาก็ทําแล้วนั่อถ้าหากวาเราม่ละิกการหรือใส่ใจแล้วทําสิขาสามไม่เดินโดยบ่อยอย่างนี้เนีย ไปได้ไกลชีวิตจะไปได้ไกส่วนปุพันเตการติตจะสงสัยในขันธยตนะธาตุที่ปรากฏในอดีตมีจริงหรือสงสัยชาติก่อนมีจริงหรือไม่อป ร, รันเตการติตก็คือสงสัยขันธยะตนะธาที่จะเป็นไปในชาติหน้าเรีนอนาคตปุปันตาปรันเตการณิตก็สงสัยในขันธยะตนะธาที่เคยเกิดมาแล้วในเจ้าก่อนรวมทั้งชาติจะาาเป็นสองดิบนั่นส่วนปฏิจจสมปาเจการติอันนี้ก็คือสงสัย การเกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายต้อองนามปลูกอันนี้เป็นเป็นวิธีอิทธิบาทอันนี้สงสัยปฏิจจสมุปบาทเออสงสัยปฏิจจสมุปบาทก็คือสงสัยความเป็นไปของฐานธาตุยัญชนะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายอันนี้สงสัยปฏิจจานี่ถือว่าสงสัยพบเลยเนีสงสัยพบการข้ามพบเลยเนะย สงสัยอา่อา ics, อดีตการนาคตการแล้วก็ความเป็นไปของการทาาอัยตนะที่เป็นไปในปัจจุบันาานี้ก็คือสงสัยของปัจจุบันเหตุ อ, อดีตเหตุเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุเป็นปัจจัยแก่นาคตรผลในต้นสสนี้สงสัยลักษะไหนอันนี้เป็นวิสีทธิษขาสัระยุกต์นี่เป็นความสงสัยอย่างนี้ทีนี้ว่าส่วนอุท จ, จักเขาแปล ว, ว่าประกอบด้วยความฟุ้งซ้าน หมายถึงจิตที่โป้งซ้างเลื่อนลอยไปในอารมณ์ต่างๆเป็นการละบาโทม่มัน่นไม่มั่นคงสั้นสายเนี่ยนะโมหะว้นจิตดวที่สองเนี่ยในพระบาลีไม่ได้แสดงความต่างกันของสำคัญเรืนี้ครับที่นี่ในวิสุทธิมัร์กแล้วก็ในวิภาวณีในดีกาเนี่ยจิตที่ลังเลสงสยัยไม่แน่ใจจิตที่โป้งซ้านเป็นจิตที่เว้นจากความกำหนัด และก็คือิชาและก็เว้นจากความขัดเคืองโือโทมนัทจึงเป็นจิตที่มีกำลังน้อยในเัว่นี้และขาดความอุตสาหะในกิจการงานต่างๆมีวิริยะประกอบไหมมีหรือไม่มีวิจิกิิขากระตุ้นจามมีวิริยะไหมวิริยะไม่ประกอบในจิตเท่าไหร่อวิริยะจิตสิบได้แก่จิต้วยไหมว่า อาเหตุทุกก่าวิปาสจิตสุดห้าแล้วก็อะไรอีกว่าเนียปัญจตวารลวัชนะอีกหนึ่งใช่ไหมในโมหะเมื่อจิตสองมีเวรียไหมมีม่มีมีนะแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าถ้านในดีกาท่านบอกว่าขาดความอุตสาหะในกิจการงานต่างๆ วิริยะมีจริงๆแต่วิริยะนั้นไม่เข้าถึงความเป็นเป็นหย่งอย่างยกตัว อ, อย่างเช่นสงสัยให้กับภูิซ่านเนี่ยตัววิริยะเลยไม่ได้ทํากิจในการภาคเทียนิริย า, ยาความแตกต่างกันในสถ า, าบันขงทังขานจริงไม่มีแต่ก็ได้ส่งข้อเข้าในนี้นะต้องส่งข้อเข้าเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ในที่บางแห่งก็บอกเข้าไปจากทัง้ง้องอย่ ความโม้ความไม่รู้ในเหตุผลต่างความเป็นจริงนั้นย่อมไม่อยู่ไม่อยู่ภายใต้เหตนตามทักจูงของผู้ใดนี่เข้าที่บายเราที่ได้ๆๆเกริไว้แล้วทีนี้ในโมหะมุลจิตทั้งสองดวงเนี่ยไม่ประกอบในทิศถีคือความเห็นผิดแล้วก็ไปติดค้าคือความโกรธฉะนั้นโมหะมุลจิตเนี่ยมีความไม่รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงนี่เป็นพื้นฐานหรือเป็นมูลเหตุอยู่อย่างเดียวจึงรับอารมณ์ด้วยความรู้สึกเฉยเฉอันนี้ไม่ยินดีไม่ร้ายนะ ฉะนั้นทิฏฐิที่อาศัยความยินดีในอารมณ์และปฏิฆาซึ่งอาศัยความไม่ยินดีในอารมณ์นั้นน่ะจึงไม่เกิดในโมหะจึงไม่มีทิฏฐิไม่มีปฏิฆาประกอบเหตุที่ทําให้เกิดโมหะมีอยู่สองประการนั้นหนึ่งอโยนุนิโสมันนั่นเป็การการทําไว้ในใจโดยไม่แยกขาดอันนี้ขาดโยที่สมันนั่นสึนการประการที่สองคืออาสวะสมุปปาท่านก็คือมีอาสวะเป็นเหตุไกลใช่ไหมตรงนี้ทลายตามปฏิจจา เขาอก่าไงถ้าหากว่าชาราวารนาตมีอะไรเป็นปัจจัยมีชาติเป็นปัจจัยชาติก็มีพบพบมีอะไรเป็นปัจจัยอุปาทานมีตัญหามีเวทนามีตาจามีตรายจตนามีนามรมูปมีวิญญาณมีสังขามมีอวิชามี เ น, นะอาตวะอาตวะจะเป็นเหตุใกล้กของโมหะอาตะวะเป็นเหตุใกล้ของโมหะเขาเรียกว่าอาตะวะสมุปาทานแล้วก็จะมีอาตะวะ เ, วเววปาา็นเหตุใกล้อายุที่สองมรณสิศศการก็คือการทําไว้ในใจโดยไม่แยกทายขาดการพิจารณารมการพิจารณาการพิจารณาโดยผูกการโดยวิธีเนี่ยนะ พิจารมโดยสุข Finanz, ุมไม่คำทีลภาพย่อมขอให้เกิดความสงสัยลังเลแล tables, นน้วเกิดความคงตั้นเป็นเหตุให้เกิดความไม่รู้ส่วนอาตวะเนี่ยีอาสวะเป็นเหตุให้เกิดตาวิช yes. าก็คือว่าเครื่องหมักดองถึงกิเลสอาตวะมีอยู่เท่าไหร่กามาตวะพวัสวะทิถาตวะเป็นเหตุของอาวิชาตวะอาวิชาตวะเป็นเหตุของอาวิชาตวะได้ไหม ได้เหมือนกันอวิชชาก่อนๆปเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาหลังๆความโง่ในพบก่อนนูนเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความโง่ในพบเนี่ย ใ, ใช่ไหมใช่ไหมใชถ้าไม่มีโมหะเมืออ่อใดจะพบตอนนี้เราก็สบายใจอยนานแล้วเพราะมีโมหะในพบก่อนเมื่อไรที่มีโมหะเกิดขึ้นในพบนี้อันนี้ก็เกิดได้ไหโดยฐานเป็นประตูบน้ิสียปัจจัยได้แต่จริงๆด้วยหลักการก็เราเอาเว้นโมอหะ เป็นตัวเองเอันนี้เ็เหตุใกล้เนี่ยเอาเหตุใกล้แต่เหตุใกลๆนี่ย โ, โมหะก็เป็นปัจจัยให้โมหะได้และเป็นปัจจัยได้ดีนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไห <c oughs> ผลที่เกิดจากโมหะก็คือว่าเหตุสร้างเหตุหลงงมงายเนี่ยบุคคลที่เกิดถูกความโมหะครอบงำเนี่ยก็เพื่เพื่อนไม่รู้ดังอันารมณ์ทีนี้ด้วยอำาจเขาโมหะ เ, เขาบอกว่าถ้าสมัยใด มนุษย์เนี่ยในสันดานเนี่ยนะจิตสันดานเนี่ยมากไปได้วยโมหะในสมัยนั้นก็จะเกิดโรคร้ายอันตรายที่เกิดจากโรคไทฟอยด์เดี ย, ดเดยนเป็นเหตุให้เกิดโรคระบาดล้มตายไปนั้นมากสรรพโรคจะปรากฏฆ่าชีวิตของคนอย่างมากมานลของโมหะที่เกิดในอนาคตก็คือว่าในดิราฉาานภพมในพระบาลีบอกว่าโมเหนนหี่ยิจจะสมมุนขัง ดิราชายนยังอุปัตชันติเขาบอกสัตทั้งหลายย่อมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยอำนาจมือเพราะเป็นสภาพที่ยังตัดให้ร่มหลวงง ม, มงาย น, นั้นจะเห็นสัตวดิราฉานอยู่กันนี้แล้วโมหันนี่แหละเป็นปัจจัยนะแล้วก็ก็ทําความเข้าใจว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อกี้ที่สน น, นานาตะโกนที่บอกว่าอืใช่ไหมถ้าพระเนี่ยไปทำความเพียรในป่าเนี่ยถ้าจิ้งหรีดร้องนกร้องสัตว์ป่าร้องเนี่ยทั้งรีบเล่งทางความเพียรใหญ่ทั้งตัว บอวันเนี้ยมันล้อมใกล้หูเราแล้วเนี่ยท่านก็คิดเนี่ยแต่ไหมมันร้อมรอบเราไปหมดในป่าเนี่ยเสียงจะตเจจันเนยจะเยอะมากร้องดังทั้งวันนะเนี่ยท่านก็จะคิดแล้วไม่ใช่ไปฟังล้เพลินชื่นใจนะโอ้โหเนี่ยมาจากเรอมาจากโมหัะเนี่ยนั่นการเรายังกำจัดโมหัไม่ได้โอกาสในการที่จะไปเกิดเป็นสตระกูลฐานสูงมากเนี่ยท่านก็เล่นรี่ในการทำความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ย่อหย่น เราไปตรงไหนเห็นสัตว์อวนะฐานก็มันคิดอย่างนี้บ่อยๆก็แล้วกันนะเมื่าคิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันก็กระตกความคิดได้ทำให้มันไม่เกียดค้านทั้งกัางวันและกัางคืนเวลาจะนอนกบ่อยๆก็รีบรุ ก, กครับความเพียนเลยนะ <c oughs> ใช่ัหมพอยิงจบร้องหน่อยโอ้ไม่ไหวแล้วนี่เขาเรีบกทำความเพียนคนไม่อยากริงจบร้องอาหาอะไรไปัดไปไกลๆหน่อ ย, อยนี่แต่อย่างนี้ไม่ <c oughs> เออาสาสาอันนี้ก็คิดปีศาสะสมบูรณ์อันนี้ก็เกิดในโลภจิต ส, สี่ดวงปฏิกาสามบูรณ์ก็สองดวงวิธีปีศสาสมบยุณ์หนึ่งอุกเทจสัมบูรณ์ก็หนึ่งมีสมบูรณ์นะเออครั้งที่แล้วบอกว่าอกุศลเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมและกรมโนกรรมอ า, า, า, านาทิบาตินนากานกรรมเ ม, มตุมัยณิจฉาจาร มูสาว่าจิสุนาวาจาพรุษวาจาสัม ภ, ภาราปะแล้วก็ทางมโนก็อภิชาพยาบาทวิชาที่ผิโลภะแปดดวงทำทุดจริตได้เท่าไหร่ทำทางกายได้เท่าไหร่โลภะแปดเนี่ย สทำทุจริตเป็นปัจจัยให้เกิดกายยัตทุจริตวจีทุจริตและมโมทุจริตได้เท่าไหร่อรโลพามูลนะจิแปดน่ะจิตที่มีจิตที่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตที่มีราคะเห็นไหมถามว่าเออเราจะเหตุโทษของราคะเนี่ยเราดูผลตงรงเทาที่ ว, ว่าเมื่อราคะเกิดขึ้นแล้วจะยางกายยัตทุจริตวจีทุจริตมโมทุจริตได้เท่าไหร่าทางกายก่อน อาทินาทานได้ไห ม, ไมไกามเมยสมิชฌาจารได้ไห ม, ไมไปาณาติบาได้ไหมเรลยนเว้นจะพึ่งได้โลภะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไไดไไดทางวจีทวารละ่ะมุสาวาสีสุนาวาจา สัมผัสปราประพระุษวาจาได้ไห ม, ไ, มได้เลด่าได้โลภะไม่ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เว้นออกไป้าธรรมโนทวารอาพิชชาได้ไหมไ ม, ไมิชาีิจีได้ไห ม, ไมไอายาบาทแหละ ไ, ไ, ไ, ดได้สองเหมือนกันไม่ได้โกรธโกรธ ด, ด้โลภะไม่มีสรุปแล้วได้สี เราก็รู้อย่างนี้นะจิตที่มีราคะเนี่ยทําอกุศลกรรมบุญได้เจ็ดอย่างได้เจ็ดอย่างถ้าในกายกายเทวาลก็คือเว้นปานาทิบาตวจีรทวาลวจีกรรมก็คือเว้นพาุสวาพารุสวาจารถามโนเวาลก็เว้นพยาบาทอันนี้เรารู้แล้วเนะนอกนั้นได้ อันนี้เอาในขณะทำํำนะไม่ใช่ก่อนทําและหลังทําก็ก่อนทําได้หมดหลังทําก็ได้หมด <c oughs> เออแปลกทำไปแล้วกลับมาตรวจที่หลังก็ได้ <c oughs> รักของเขามาแล้วเนี่ยในขณะรักนะ่ะไม่โกรธแต่รักมาแล้วกลับโกรธได้ใช่ไหมอามาน้อยไปบ้างก็ได้ มีจริงๆนะที่โจนเลยกระตกทองคนอื่นก็พอ <c oughs> กระตกวิ่งไปสะพัดเลงมันกลับมาใหม่กลับมาแล้วมาตกหน้าเลยเขาบอกว่าเอาของปลอมมาหลอก <c oughs> อย่างเงี้ยเขาที่จริงตอนรักเนี่ยเขาเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอาชินนาทารเป็นอาชินนาทารแต่พอวิ่งกลับไปหน่อยพยาบาทพยาบาทเกิดเลยทุ รับภายในเนี่ยส่วนในโทสะมูลจิตสองดวงจิตที่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตที่มีโทสะ er ท, pues ทำไปทําอกุศลกรรมกบได้หรออาตัณกายกรรมปาฏิบาติได้ไหมอกินนาทานได้หรือไม่ได้อกินนาทานกามเมียสุนิชฌานเวทการเมียสุนิอธินาทานได้โอ้ยทำไปโกรธไปนี่ คือแคนด้วยรักด้วยอ่ะแคนแล้วก็ลักขโมยอ่ะใช่ไหมมีเยอะแยะหมดมเดี๋ยวเอาพอฆ่าเขาเบ็เสร็จก็คือว่าอํารางคดีด้วยการเอาขอซับไปหรือว่านั่นแหละเบตนาฆ่าเอาซับนี่แหละได้ดมี่คือเราส่วนวัจีถวาวรวจีกรรมอ่ะมุสาวาดได้ไหม กก็เป็นปัจจัยใงการโกหูได้ปิสนาวาจาฮุสวาจาสำัาปราปะพูดไม่เชื่อได้ไหมโก้แล้วพูดไม่เชื่อได้ไหมวายเลยโก้กดแล้วพูดเจบ่อเลยวายเลยถ้าพอยอมผู้หญิง ว่าเอาไม่กล้าพูดต่อหน้าไปพูดลับหลังเดี๋ยวเห็นพอเห็นต้นพอเห็นเสาก็เอาแล้วว่าสมมติเป็นแล้วก็บ่นเลยนะเตรยมผู้ชายคนหนี่งพูดลับแล้ไหนเขาบอกว่าพูดต่อหน้าไม่ได้เขาเสียงก็เลยพูดกับต้นเสา ใครก็บอกว่ากล้วเมียเลยบอกไม่ได้กลัวเมียแล้วไม่อยากมีเรื่อง <laughs> ห้คนเรานี่โดนเชื่อจ น, นแปลกๆให้สังเกตว่าคนแต่งงานกันหนึ่งวันถ้าไปงานแต่ทีแรกก็ไม่เข้าใจเวลาเขาจับตับทัเที เขาพ่อแม่ก็จะสอนไว้ว่าเวลาตอนจับเขาปีมือเลยมันก็จะวางไจับเลยมึงมต้องจับข้างบนให้ได้เวลาจากข้างบถ้ามึงจับข้างล่างดินทากต้ตายเลยคอ ย, คอยจ้องตอนจะจับมันจับมืก็เรีนว่าคว้าข้างบนสผู้ผู้หญิงมันจะหลานจับข้างบนไว้ก่อนแล้วผู้ชายร้อนไม่จับตรงนจข้างลา่างใ่หน้ามไัไปดีอะคุณยิ่ ก็เริ่มกันวันแรกแล้วใช่ไหมเริ่มเดี๋ยววันแรกแล้วแต่ไปได้ยินใครเล่ามันเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่เขาฉายให้ดูแล้ววันนั้นวันนั้นยังให้เด็กหางอยู่เลย ไม่รู้เขเขียนมายังไงเรื่องเนี้ยไอเรื่องผัวเมียทะเลาะกันเรื่องภรรยาให้ทะเลาะกันเจอให้ให้เลียนฐานให้ฟัที่วัดเรื่องอะไรเลียนฐานนี่นั่งทำเพาะว่าไอเขียนทะเลาะกันทุกวันสองสองสามีภรรยาคุณพอทะเลาะกันเด็กเด็กก็วิรวันนึงว่าไปติดศัตรูไอได้ไปไปนอน ไอประตูไม่ได้ปิดก็เกียงกันบอกว่าไอตั้งสามีก็ให้ให้ภรรยาไปปิดทำภรรยาให้สามีไปปิดเถียงกันครึ่งค okay. ืนดิก็ออกไปตกลงไม่มีใครปิดเนี่ยเอาเนี่ยนับหนึ่งกองสองไปพูดก่อนนั้นปิดมันไม่รู้เรื่องก็แต่งขึ้นที่มันเรื่องจริง ก็นับหนึ่งสองสามตุ๊มเงียบไ <c> ป <oughs> ทีทีนี้ก็แล้วก็มันมีโรคภาพด้วยนะมีโรคภาพด้วยไอไอไอที่นในในหนังสือเล่มนี้แล้วาาลภาพหาพนึนนนงนาาน่งหมาแล้วขึ้นมาเขาก็ทำเป็นโรคภระยาโผล่คนมองไปมองเกี่ยบอุ้ระระยหาลางไปแล้วทำุกหมาแล้วขึ้นมากินของข้าวของหกตกแตกกแล้วภ ร, ะระยาเอ ก็มันไม่พูดเรื่องอะไรออกูจะพูดถ้ากลัวกลัวจะไม่ขึไปตัวเพรตื่นตอนเช้าไม่มีอะไรกินแล้วห ม, หมดหมากินหมดเฮียก็ไปเฮียไปที่ริมรั้วไม่เกบ็บต้องสะตํารึงใช่ไหมเก็บไอ้ข้ามบ้านกระตะกอนมันเงียบปิดปกติวันนี้ตักว่าทําอะไรว่าไงเนี่ยเฮีจะพูดไปวกูสามีอยู่บ้านได้ยินแล้วเงียบอีก สามีก็ไม่ได้ใจว่าเรื่องอะไรก็ไม่มดนี่ก็แปลกใจนะเพื่อนบ้านก็มาแล้วธรรมจากรดาวเมียยังไม่รู้ปไปไล่ตามเลยก็ไม่พูดเพรฉุฉกได้หรอสตกใจเรื่องนี้แน่ําไม่พูดสบาให้ผีเข้าไปแล้วมันก่อนขึ้นมากลกันไกลมะก้อนหัวก้อนไปไปขึ้นไม่พูดแล้วไปล้วก่อนเปนีกครั้ นั่งออรอรอภรรยาไม่เลยใจปูต้องจร น, นันภรรยามาดิโผล่บันไดบันไดขึ้นมาเข็นหัวปู่ถูกก้อนดิ้นขึ้นร้องตกใจเอหัวพี่ไปไลยหัวมึงพูดก่อนปูแล้วหัวพี่เป็นตัวอานเล่นนี่นแต่เขาแต่ขึน้นเรว่ย ก็จะชนะกันนี่ะจริงจริงแล้วมันมีไม่ครอบครัวแบบนี้อย่างหนึ่งขนาดนี้มีมยบบมเยอะไหมลัะล้ อ, อตกใจอีกคนหนึ่งนั่งยิ้มอีกคนหนึ่งตกใจไปยุ่งชี้เลยไม่ไม่สนใจทั้ง อ, อื่นแลยบอกแพ้พูเจต เปียบีตรูส่วนโมหะนี่ทาแต่ถาโทสะนี่ให้ให้อกุศลกรรมบทชเจ็บนะทางกายมีปานาฏิบาตกับปินนาธรรมส่วนทางวจีทวารได้ทั้งหมดแต่สมนโนทวารได้อย่างเดียวนะคือพยาบาทส่วนโมหะนี่ให้อกุศลกรรมบวทั้งสิ้น อันนี้ก็ก็พิจารณาอยู่นั่นนยว่าในอกุศลกรรมบททั้งสิบเนี่ยถ้าพิจารณาแลว้วบอกว่าอากุศลกรรมบทได้แก่ปานานติบาทพฤตสวาจยาพยาบาทเกิดได้นั่นโทสัตเป็นผู้นําส่วนอากุศลกรรมบทสามการเมอาภิชาแล้วก็มิชาพิถิอันนี้ก็โลภะเป็นตัวนําและเป็นหัวหน้า ส่วอนาคุสมทำมรรคที่หรืออาทินาทานมุสาวาติสุนาวาจาระสัมปะราปะะอันนี้ก็มีโลภะเป็นต้นเหล่านั้นนเกิดขึ้นทีนี้โลภะมโนจิตเกิดขึ้นมีโลภะเป็นเหตุนำโมหะเป็นเหตุหนุนเป็นต้นเหล่านั้นนะท่านก็กล่าวไว้ออว่าอนาคุศลนจิตเนี่ยสิบสองดวงเลยนะทั้งโลภะโธจาโมหะเนี่ย เพรมีการไม่คิจารณาโดยอารมณ์มันแย่คายถ้าคืออายุนิสงมนัสสิการ์ไม่ยิ่งเป็นอีกขึ้นพระพุทธเจ้าแสดงว่าผู้ที่มีอายุนิสงมนสิการนั้นน่ะอกุโสลกิจที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุโสลกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนกุโสลกิจที่จะเกิดก็ไม่มีโอกาสเกิดส่วนกุโสลกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็คอยดับและหายไปอายุนิสงมนัสสิการเกิดขึ้นก็อาศัยเหตุห้ประการนะ ปุกเพรจะอากุญญตาก็ถือว่าจะขอไปปุกเพรจะอากตะคุญญตาไม่ได้สร้างบุญไว้ในตานก่อนอักปฏิรูปเทสวาสะอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรอาสัปุริสูปนิสยะไม่ได้ครบสัต บ, บุรุษอสาสัตธรรมะตวันะก็ไม่ได้ฟังอาสัตนิชฌาป น, นี้ที่อันนี้สร้างตนไว้ผิดอันนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดอโยอนิสโสมนสิกา อกุศลและจิตเนี่ยเป็นจิตที่ชั่วใช่ไหมราคะโทตมโมหหะเป็นจิตที่มีโทษแล้วก็ให้ผลเป็นทุกข์เพราะพระพเจ้าสอนให้ละชั่วเป็นประการแรกแล้วก็ให้ประพฤติความดีเนี่ยที่บอกว่าแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยต้อถามว่าลักษณะาการละเนี่ยโลภมูลนิตเป็นจิตที่เกิดด้วยความโลภมีความอยากได้เป็นต้นเหล่าเนี้ย ความโลภความอยากได้ในอารมณ์ที่น่ายินดีเนี่ยลุกรามแข่ขยายเป็นต้นเป็นไปนตามลำดับก็ต้องอาศัยธรรมะหรือสันโดษความพอใจเท่าที่มีอยู่ก็เป็นปจัจจัยแห่งการที่จะรับรับได้ด้วยอะไรกตะทางข้าประหาราคืออารมพะเจตสิกเนี่ยนะเขาก็เป็นปัจจัยเกิดขึ้นแห่การที่จะทำให้ถ้าถามว่าโลภะเนี่ยทำที่เป็นปฏิปักษ์กับโลภะคือสมาธิ ถ้จาจะละปัญหาหรือจะละโลภะได้ก็ต้องอาศัยสมาธิส่วนโทสะนี้ก็ต้องอาศัยอะไรอาศัยสีอาศัยสีเป็นตัวละส่วนโมหะก็ต้องอาศัยปัญญาใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ในสติปัฏฐานสูตรแสดงเหตุที่ประหารโทสะเอาไว้หกประการ ศึกษาเค ร, รื่องหมายเห็นการเจริญมตดต่ถ้ามีทศนะแต่ถ้าหากจะเจ อ, เ อ, อประหารโลภะเดี๋ยวก็ไปดูในถ้าในออสันฐานวิตตักสูต ร, รที่บอกว่าถ้าหากโลภะเกิดขึ้นในอารมณ์ใดเ น, นี่ย น, น, นะก็ให้เจริญอสุภะนิมิตในอารมณ์นั้นก็คือให้ย้ายนิมิตเนะ่ ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราไปเห็นรูปที่งามที่หน้าเพื่อเฟินหน้ายินดีเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันเป็นสุภานิมิตก็ให้เจริญอาสุภานิมิตในอารมณ์นะลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าย้ายอารมณ์ย้ายนิมิตนั่นเองเพราะนิมิตนี้เป็นปัจจัยให้เกิดราคะให้เกิดความกำนังให้เกิดความเพื่อเพฟินให้เกิดความยินดีก็เจริญอาสุภานิมิตในอารมณ์เมื่อเจริญอสุภานิมิตอย่างนี้ก็เรียกว่าย้ายนิมิตแเพราะย้ายนิมิตแล้วเนี่ย ปัญหาเราจะถูกละได้ด้วยอาการอย่างนี้นทีนี้ในในชีวิตที่ผ่านมาเวลาการมาราคาปัดเดือกเข้าไปถ้าราคะความกำนังความยินดีความเพลิดเพลินเกิ ด, ด, ดขึ้นในอารมณ์ใดเนี่ยบางทีเราไม่มีวิบายวิธีในการที่จะละใช่ไหมวิธีละก็คือว่าเจริญอสุภะนี่จะเจริญยังไงวิธีเจริญท่านคอยพิจารณาโดค ว, วามเป็นผมขนเล็กฟันเนี่ยเร า, า, ารักอ่ะใช่ไหม รักผมรักขนรักฟันรักหนังรักเอ็นรักกระดูกรักยี่ในกระดูกดก็กมาวิจัยเนี้ยในที่สุดจริงจริงไตัณหาความยินดีนมันก็เกิดหายนั้นถ้าจิตเกิดราคาเนี่ยก็รู้ชัดว่าจิตเกิดราคะและ้คือต้องรู้อุบายด้วยฮนะว่าจะรา้าราคะอะไรยังไงถ้าหาก ร, ราคามันไม่ได้เกิดในสัตว์บุคคลมันไม่เกิดในสังขารเช่นตับช า, าไปเกิดในดีวนันในบาทเป็นต้นเ่ารักดินนุ้นน้ำนวไปมันมลงก็งมาวิจัยเนี้ยน หือพวกเราทั้งหลายก็เสื้อผ้าก็มาวิจัยทะลักสีใช่ไหมก็มาวิจัยโดยความมุ่งธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมโดยความเป็นมหาภูตรูปกุตปาทายาโลกไปแยกแยกไอออกอย่างนี้นะแยกยังไงก็ไม่เห็นแยกยังไงก็ไม่เห็ก็พยายามแยกแยกลักสถะนนี้ก็จะล้าตัณหาได้ทีนี้ถ้าหากว่าโทษาเกิดขึ้นในอารมณ์ใดท่านก็สอนให้รัาหนึ่งศึกษาเครื่องหมายแห่งการเยริมีตา คือว่าเจริญเมตตามีเมตให้เกิดขึ้นในทุกๆอารงณ์นี่ใช่หมแล้วก็ประกอบภาวนาในเมตตาเนื่องทำให้เป็นอัจฉริยะใสเลยนะเขาเรียกว่ากรรมฐานเมตตาเนี่ยเขาเป็นสัพพะกักกรรมฐานกับเป็นปริหาลิกะดเราก็ทําเป็นสัพพะกักกรรมฐานกรรมฐานที่จําปากกระนาในกิจทั้งปวงหลังเบื้องต้นนี่นะต้องเมตตามาบริหารในในชีวิตจริงๆเนี่ย คือทำเมตตาเกิดขึ้นแบบจับติดจับใจเลยนะคือที่เมตตาเนี่ยถามทํำยากไหมเจริญเมตตาเนี่ยากไหยเวลาเราจะตากันหายเขามีความสุขให้เขามีความเจริญให้เขาสมหวังในชีวิตเนี่ยทํายากไหมยากเห็นหน้าใครก็บอกเอ้อให้เขาเจริญในอดีตมากมีองค์แต่บรรลุมากผลนิพพานในอนาคตอันไกล้ย่นาคิดแบบเนี่ยให้เขาบรรลุมากผลนิพพานคิดเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยนะเห็น สาตวา์อะไ้หินอะไรต่างๆก็พยายามเขาควนจากอาตมาหรืออะไรก็พยายามเมตตามีความรักความปรารถนาดีเมื่อต อ, อนเขาไรื่ถ้าทําให้ได้อย่างนี้ให้เนืองๆเนี่ยนะต่อเนื่องเนืองๆให้เป็นเชื่อของการกระทําแบบเสมอเสมอให้ติดต่อแล้วก็พิจารณาเนืองว่าเป็นกําของตนตอนนี้พิจารณากรรมทาให้มากโดยปัญญาเพรคนที่มีเมตตาฟังสัพ ถอยคาที่สัปดาห์นี้ก็คือฟังพวกเมตตากรรมฐานี้เยอะต้องการจะเจริญเมตตาแล้วครับที่ไหนที่กล่าวเมตตาไว้ออกม า, าน่ในบท mm hmm. ในเมฆกรณีเยอเมตตสูตรในเมตสูรตรนในพระไตรปิฎกในกกจูปมาสูตรก็ดีในวิสุทธิมรรคในวีการในเรืองตางก็ไม่อ่านเี้ะไ้อ่านที้เยอะตรงไหนที่กล่าวเรื่องของเมตตาไว้เนี่ย uh huh. อันที่สองของเมตตาบ่านมากๆสมาในใจก็จะน้อมไปกับเมตตาแล้ว เ้อถ้าหา ก, กล่าวคำเหล่านี้มากๆหรือสาขยายคำเหล่านี้มากๆใจก็จะไปแบบนี้นมีค้าพ ร, ระอคเนี่ยท้าพระโงค์เขาชอบสองครั้งเอาท้ามาแล้วเขามาจอบดูดินดูเนื้อดูเลยก็ดูว่าเออสร้างแต่รุ่นไหนเก่ า, ย, ายังไงมีพุทธคุณก็ว่าเข้าา เขาว่า เ, า เ, เ, า เ, าเาขเาหยุดเีาจะไปขาวใจเขาเลยว่าเขาชอบอนะไรเนีาการคนพวกนักคิดทั้งหลายเนี่ยบางทีบางครั้งก็เหมือนคนบ้าพวกที่นักกิจกรทั้งหลาย เออไปมองมาสิเลี้ยวก็มันมีสิ่งดีแลวเกยนตันเลยาสิเลี้ยวดีเราเช็ดแล้วเราโยนวย่ะ mm hmm. เขามองเขาเป็นอย่างโในใจแล้วนี่เขาถึงมอง้ว ย, งย่างราเปคิดย mm ังไงก็คืออนที่เจริญเมตตาเขาก็จะรักสนับว่าความถอดยาำที่เป็นสติปัฏตานามมตาในส่วนจิตใจก็จะน้อมไปทำเมตตาดิจิตไป ส่วนประการต่อไปก็คือเหตุที่จะประหารมิจิจิกิจฉาเพราะหุสุตาตาก็คือเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากนั้นฟังมากๆในประหารความสงสัยได้มันสอบสวนทวนถามแล้วก็ชำนานเคลื่อนคลดในพระวินยัยแล้วก็มากไปด้วยการตัดสินใจเชื่อแล้วพบกลยาณมิตรได้ฟังถ้อยคำมันเป็นสปายะทายความสงสัยได้ เหตุแห่การประหารอุเจจ์ก็ไปพูดได้ฟ uh ังมากมัน <Yeah, S 2> ่อบถามรอดรูมเรื่องวินัยได้ฟังทำมาจากพระพุทธเจ้ามีเพื่อนดีเปนแล้วก็ฟังสภาแยกกระถาเปืนต้นอะอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งการที่จะละอุเทจจ์นะและตอนนี้ก็พลาดคันตะกี้โอกาสถ้เจอเอาถืว่าท่านอาจารย์แสดงธรรมมาเนี่ยนะฮะแล้วพวกเรามัวลอกันอยู่เรื่อยนี่ถืว่าหนึ่งไม่คารพธรมสองไม่เคารพผู้แสดง้ะหลง ไม่เป็นคุยทนี่เราคิดว่เราจะได้รู้เนี่ยว่าเราจะได้รู้อะไรคือคือคือจริงๆเวลาพูดออกไปเนี่ยบางครั้งเป็นการยกตัวอย่างพี่พี่ยกตัวอย่างกรณีการเสียบเทียบคือการแสดงธรรมในยุคปัจจุบันเนี่ยมันบางครั้งอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ย ถ้าอามาอ่านทั้งหมดเลยในยบางทีมันก็มองอ้าบไม่ไับแต่พอโยกอะไรประกอบก็ก็รักเลทีนี้ในกรณีที่ที่ว่าเราพอ น, นั่นเสร็จแล้วเนี่ ย, ยคือเจตนาเจตนา ม, นมันมีอยู่นะว่าเออเราเจตนาที่คือเราฟังแล้วบางสิ่งเรารู้ว่ามันไม่ใช่ไปนำอะแต่มันเป็นเรื่องเปรียบเทียบที่มันเกิดขึ้นเป็นความไม่เข้าใจอย่างอย่องยกตัวอย่างที่ว่าเอย่างทหารที่ไปพูดกับท่านใช่ไหม คือเพื่อไปขอว่าเครื่องท่าโนบอกแจ้งโง่อาจจะมาไม่ไม่พบเดี๋ยวนี้อาจจะมาพบทหารบอกมันจะปลอดภักกาายกว่าเยอะพราต่อมาเ้ราะกูบอกการันยิงทหารแต่กูโอก เ, เ, เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไปคนเดียวไปองค์เดียวมีโอกาสรอดเยอะอย่า ง, งนี้ไม่ใช่ละมันเป็นการยกตัวอย่างชีวิตจริงที่มันเกิดขึ้นชีวิตจริงที่มันเกิด พกนก็ไม่ได้อว่ามัิดักบเราหรือ่านี่ตออพิจารากนกันร